ก็จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านความรู้สึกตัวมันเป็นจุดแตกหักสําคัญมากเลยรู้สึกตัวไม่เป็นก็ภาวนาไม่ได้หรอกได้แค่ความสงบแบบมิจฉาสมาธิสมาธินอกศาสนาพุทธในสมาธิแบบชาวพุทธเราก็สงบแต่รู้สึกตัวด้วย ก็ยังมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอีกส่วนหนึ่งสงบด้วยแล้วก็ตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดูนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าพวกเราไม่เรียนให้ชำนิชำนานการภาวนานก็ผิดพลาดง่ายเวลาที่เราภาวนานนะสิ่งที่ผิดพลาดมันมีหลายอย่าง อย่างถ้าเราทำสมถะอยู่เนี่ยสิ่งที่มันจะมาหลอกลวงเราก็คือพวกนิมิตทั้งหลายสารพัดนิมิตถ้าเราทำวิปัสนาเนี่ยสิ่งที่จะมาหลอกลวงเราก็คือวิปัสณูปะกิเลสมันมีอุปสรรคทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอาศัยสติอาศัยปัญญาอเอาตัวรอดผ่านไปให้ได้ อย่างเรื่องนิมิตนะสารพัดชนิมิตกันยิ่งสมัยก่อนนะชอบนั่งสมาธิกันนั่งให้จิตว่างๆนิ่งๆนะนั่งไปนั่งมาเคลิม้มเห็นโน่นเห็นนี่กันที่จริงนิมิตมีทั้งหแบบเลยเป็นรูปก็มีนะเห็นเป็นรูปเดินมาเป็นเสียงก็มีทีได้ยินเสียงบอกเสียงคุยเสียงเล่าเสียงให้หวยอะไรอย่างเนี้ย เป็นกลิ่นก็มีนั่งอยู่ได้กลิ่นดอกไม้บ้างได้กลิ่นน้ําอบบ้างนได้กลิ่นเน่าๆบ้างคนสมัยก่อนนั่งสมาธิได้กลิ่นน้ําอบนะั่นก็ว่าเทวดามาพวกเราทุกวันนี้ถ้าได้กลิ่นน้ําอบเราสรุปว่าผีมา <c oughs> นิวิตมันมีสารพัดนะนั่งเราได้กลิ่นก็มีได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่น นิมิเป็นรสก็มีเรากินข้าวอยู่นะบางทีมีนิมิตของรสรสชาติอร่อยมากอะไรเงี้ยพิเศษบอกเทวดาเอารสทิปมาใส่อะไรนะมีนิมิตเกิดขึ้นนิมิตเป็นสัมผัสทางกายก็มีรู้สึกเหมือนคนมาถูกตัวเราได้นิมิตเป็นความหลงไปทางใจก็มีนะถอดจิตไปเที่ยวโรกเที่ยวสวรรค์ ไปเที่ยวพนิพาณ น, นารกสวรรค์มีไหมมีไปดูได้ไหมบางคนไปดูได้แต่ส่วนใหญ่ก็คือฟังตามๆกันมาก็น้อมใจเชื่อเพาใจสงบนิดหน่อยใจสายออกไปแล้วก็ไปเห็นคนไทยจะไปเห็นนรกเนี่ยก็ต้องเป็นนรกที่ร้อนมีไฟมีกระทะทองแดงมีต้นงิ้ว ยมาบาลก็ต้องมีเขาหนึนะ่นะนี่อาศัยเคยได้ยินได้ฟังได้ดูอะไรเงี้ยก็สร้างขึ้นมาแล้วฝรั่งมันเห็นนรกมันก็หนาวอะไรเงี้ยแล้วแต่จะสร้างขึ้นมานิมิตทั้งนั้นอนะ่ะแต่ น, นรกสวรรค์มันก็มีจริงบางท่านท่านก็รู้ท่านเห็นได้จริงบางทีมันก็เพี้ยนๆไปอย่างนั่ง เห็นพระจุลามณีวนดาวดึงแต่ละสำนักนะเห็นพระจุลามณีหน้าตาไม่เหมือนกันนะเป็นเจดีย์คนละทรงกันแคลนนี่แล้วแต่จิตมันจะปลูกของจริงมันก็มีของหลอกมันก็มากเราเชื่อถือไรนักไม่ได้หรอกที่รายกว่านั้นคือนิมิตเห็น พ, นนนพระนิพพานคิดว่าไปเฝ้าพุทธเจ้าในพระนิพพานเนี อนจิตร้อนอยากร้ายแรงเลยทีไปเฝ้าเห็นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่เป็นแถวแถวบางสำนักเขาก็เห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิบางสำนั ก, กพระพุทธเจ้านั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยนกะ็เป็นแถวแถวทำไมพระพุทธเจ้าทุกโลกหน้าเหมือนกันหมดคนคนละยุคคนละสมัยคนละเชื้อชาติถ้ายังมีรูปมีนามอยู่ ไม่ใช่นิพานนิพานไม่มีรูปไม่มีนามนิพานไม่มีกิเลสนิพานไม่มีขันนะไม่มีขันยังมีขันอยู่ไม่ใช่ของจริงนิพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาใจที่หมดความหิวโหยนะสัมผัสพันิปานแต่ไม่ใช่ใจที่พ้นความหิวโหยเป็นตัวนิพานนะใจที่ไม่มีความหิวโหยนะมันสัมผัสกับพะนิพาน นิพพานไม่มีรูปไม่มีนามอะไรหรอกนเป็นบรมสุขเป็นความว่างที่เป็นบรมสุขไม่ใช่ว่างแบบกระจอกง้อย่ยว่างเฉยๆว่างจากอะไรว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากความป ร, รุงแต่งว่างจากทุกข์ว่างจากสิ่งเหล่านี้นี่นเวลาที่นิมิตมันเกิดเวลานั่งสมาธินิมิตมันเกิดมันเกิดได้ทั้งหแบบจริงๆก็ะระลึกไป ชาติก่อนเกิดเป็นโน้นเกิดเป็นนี่นวดแต่เกิดเป็นคนใหญ่คนโตแล้วนะที่เคยได้ยินชื่อในประวัติศาสตร์ไม่เกิดเป็นในหมาในแมวอะไรนางโน้นนึงนี้ไม่เอานะต้องเกิดเป็นพระเดชเลสวรพระเอกาทศรสนะเกิดเป็นพระเจ้าอาโศกอะไรเนะี่ยต้องเกิดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเพราะอะไรเพราะเคยอ่านหนังสือได้ยินชื่อพวกนี้มานะา่ิใจมันหลอนได้สารพัดเลยนะ สิ่งเหล่านี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะสาระสำคัญคือปัจจุบันเนียรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันที่จิตจะหลอนไปอดีตจิตจะลอนไปอนาคตบางคนก็ระลึกชาติได้จริงๆบางคนก็รู้อนาคตได้จริงๆแต่ว่าความเพี้ยนมันก็มีส่วนใหญ่ที่พาณนาใจมันไม่สงบจริงเพี้ยน แล้วแต่จิตใต้สานึกมันอยากรู้อยากเห็นอะไรมันก็แสดงขึ้นมางั้นเวลาเราภาวนานนะถ้าเราทำความสงบอยู่ให้มีสติอย่าให้ขาดสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวจะทำอะไรก็รู้สึกตัวไว้ถ้าเรารู้สึกตัวดีๆเนี่ยนิมิตไม่ค่อยจะมีหรอกแต่บางทีตอนที่จิตเริ่มจะรวม มันเริ่มเคลิ้มเคลิมเป็นสภาวะคล้ายคล้ายเครึ่องหลับเครื่องตื่นอันนี้สติขอามาคนมันอ่อนมันไม่ทันไม่ทันจิตใจที่กำลังเคลิ้มลงไปกำลังของสมาธิแรงไม่สมดุลกับสติสติอ่อนถึงตรงนี้แหละจิตใต้สำนึกมันทำงานขึ้นมาบางทีก็ เ, เห็นครูบาอาจารย์ไปเทศให้ฟังเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างน้นนอย่างนี้ ที่ท่านรู้ท่านเห็นจริงก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกฝึกมันไม่ใช่ของจริงเท่าไหร่หรอกเพราะสมาธิเราไม่พอสติเราไม่พอนี่เวลาที่นิมิตเท่าไหราเกิดเนี่ยอย่าไปกลัวบางคนกลัวนิมิตก็เลยไม่กล้าภาวนาอีกอย่างหลวงพ่อมีคนรู้จักคนหนึ่งนะรุ่นน้องสอนให้มันทําสมาธิแล้วทำสมาธิอยู่ไม่กี่วันนะมันเห็นหัวกระโหลกตัวเอง นั่งๆอยู่เนี่ยเห็นเม็นหัวกะโหลกเลยแล้วตั้งแต่วันนั้นนะมันเมตภาวนาอีกแล้วมันกลัวเห็นหัวกะโหลกเนี่ยเป็นหลงนิมิตที่จริงแล้วไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะให้เราย้อนเข้ามารู้ทันจิตไว ม, มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะย้อนมาดูที่จิตที่ใจของเรานิมิตปลอมๆทั้งหลายมันจะหายไป อย่างเรานั่งสมาธิอยู่นะเห็นผีมาอย่าเพิ่งวิ่งนะอย่าเพิ่งทําอะไรให้ย้อนมาดูจิตใจก่อนจิตใจกลัวอย่างนี้ให้รั่วกลัวเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะย้อนมาดูจิตตัวเองไว้แล้วปลอดภัยที่สุดได้ยินเสียงแทนที่จะเป็นสนใจว่าเสียงอะไรย้อนมาดูใจตัวเองเห็นรูปก็ย้อนมาดูใจตัวเอ ง, เเอมเองไม่ต้องไปวิเคราะห์ว่ารูปจริงรูปลอมได้กลิ่น ได้กลิ่นหอมได้กลิ่นน้ำอบได้กลิ่นผีเน่าอะไรอย่างเงี้ยได้กลิ่นอะไรขึ้นมากลัวอะไรีหรือสงสัยขึ้นมาย้อนมาดูจิตนิมิตทั้งหลายนะั้นอ่ะถ้าเราย้อนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจนะสะติรู้ทันจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเอ้นิมิตจอมปลอมทั้งหลายมันจะหายหายหมดเลยไม่มีสาระแก่นสารเพราะมันไม่ใช่ความจริง แต่ถ้าเราย้อนเข้ามาที่จิตนะเห็นผีเราย้อนมาที่จิตแล้วเอาถอยจิตออกมายังเจออยู่นะเอาอย่างนี้พอเชื่อได้ถ้าเจอผีอย่างนี้ก็อย่าตกใจจาที่โลงพ่อบอกตัวนี้ไว้ว่าผีที่มาหาเราเนี่ยส่วนใหญ่คือญาติพี่น้องของเราพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่ญาติญาติเขาเห็นเราพาวนาสว่างสวัยเขาก็หวังจะมาพึ่งพา พอเราไปเจอนะเราก็ไล่เอาไล่เอาไล่เหมือนหมูเหมือนหมานะน่าสงสารเนะฉั้นถ้าเจออะไรแปลกๆก็แผ่ส่วนบุญไปหรือจเจริญเมตตาถ้าเห็นอะไร น, น่ากลัวนะก็จะเจริญเมตตาไว้ถ้าเห็นปีเห็นสางอะไรก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปไม่มีอะไรหรอกเขาทําอะไรเราไม่ได้จริงหรอกมันทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีกรรมนะตัวอย่างมันอยู่ใต้กฎของกรรม งั้นเวลาเราภาวนาเนี่ยเวลาเราทำสมถะเนี่ยก่อนที่จิตสงบเนี่ยศัตรูของมันก็คือพวกนิมิตทั้งหลายต้องรู้วิธีที่จะฝ่าฟันให้พ้นจากมันไปให้ได้ด้วยการย้อนกลับมารู้ทานจิตย้อนมารู้ทานจิตนิมิตมันก็จะสลายตัวไปนะถ้ามันเป็นของจริงก็ไม่เป็นไรจเจริญเมตตาไปแผ่ส่วนบนส่วนกุศลไปเราใช้อาวุธที่พระพุทธเจ้าให้คือความดีนะ ให้ความดีเปน็นอาพุตรต่อสู้นะสุดท้ายเข้าพโมทนากับเรานะเวลาเราพอนาดีๆเขาก็มาสาธุนะครูบาอาจารย์ชอบเล่าว่าเขาอนุโมทนานโลกาธาตุสะเทือนเลยเนี่ยท่านเคยถามหลวงพ่อว่าโลกาธาตุสะเทือนไหมสัตรูอีกตัวหนึ่งนะก็คือมิปัสนุปกกิเลส มัเป็นศัตรูตอนที่เราจะทำวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่หัดแยกรูปแยกนามให้ได้แต่ตรงที่เราแยกรูปแยกนามเนี่ยยังไม่เป็นวิปัสนาเป็นขั้นต้นเป็นบาทเป็นฐานเบื้องต้นที่จะเจริญวิปัสนาอย่างเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยเรารู้อะไรรูปมันเคลื่อนไหว ใ, หใจเป็นคนดู เราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยรูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะแยกรูปแยกนามได้ครูบาอาจารย์มั่กีพูดละเอียดออกไปท่านใช้คาว่าแยกธาตุแยกขันธนะ์ถ้าอย่างย่อๆก็เรียกแยกรูปแยกนามตัวรูปนั้นะแยกออกไปได้เป็นธาตุสีนะ่แยกธาตุออกไปได้อีกในตัวรูปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมแต่แยกยาก ถ้าเราไม่ได้ทรงฌานนะยากๆตัวรูปจริงๆอะ่ะงั้นส่วนใหญ่ที่เจริญปัญญาด้วยการดูรูปเนี่ยเราจะดูรูปข้างเฉียงรูปอาศัยอะไรพวกนี้ไม่ใช่ดูรูปแท้ๆไม่ใช่รูป 100% เนตะไม่ใช่ตัวธาตุอย่างเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าอะไรเนี้ยถ้าแยกออกไปได้ยังเป็นดินน้ำไฟลมอีกนะแต่ว่าส่วนใหญ่แยกไม่ได้ไเห็นแค่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าได้แค่นั้นก็ยังดี เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวมหาพูทรูปมหาพูทรูปเป็นรูปจริงๆเลยหรือธาตุสี่มันยืนเดินนั่งนอนเป็นรูปเรียกว่าบิณิรูปรูปเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือรูปบางอย่างก็ดูยากรูปผู้หญิงผู้ชายดูยากเป็นเรื่องของยีนดูยากเราดูรูปส่วนใหญ่ก็ดูรูปได้แต่รูป พื้นๆรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนถามว่าดูอย่างนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันเพระพอได้เพราะเราไม่ได้สงชาญดูได้แค่นั้นแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายมีเท่าไหร่นะรูปมีเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเราแล้วล่ะคล้ายๆเหรียนอ้อมๆไปหน่อยก็เรียนตรงๆไม่ไหว อย่างนามที่เรียกว่าแยกนามแยกนามนะแยกออกไปได้เป็นสี่เหมือนกันเป็นนามขันสี่อันเป็นเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วบิน ญ, ญาณคือตัวรับรู้คือตัวจิตเป็นตัวรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิน ญ, ญานนี่นเราจะค่อยๆหัดแยกไปแยกรูปแยกนาม ถนัดแยกรูปก็แยกรูปไปเข้าฌานแล้วก็มาแยกรูปนะถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่างนี้ก็พอแยกได้นิดหน่อยกนะ็พอใช้ได้ก็ผ่านได้เหมือนกันหรือถนัดแยกนามธรรมนะ <apolis S 1> เราก็าเห็นหนงความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความจำได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดูความปรุงดีปรุงชั่วอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนดู จิตก็อยู่ตางหาจิตก็ เ, เกิดเกิดดับๆับเดี๋ยวจิตก็ เ, เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวจิตก็สุกเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็โลบก็โกรธก็ห ล, ล, ลงนะทุกอย่างเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไปเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่วิปัสสนาได้นะเราต้องแยกรูปแยกนามถ้าแยากได้เต็มที่ไมันจะถึงสภาวะเดี่ยวๆที่เป็นตัวจริงๆเลย อย่างความโกรธเนี่ยเป็นตัวจริงๆและนะ้ความรอบความหลงเนี่ยเป็นตัวจริงๆแล้วแยกต่อไปไม่ได้ละความโกรธก็คือความโกรธละเหมือนไฟเงี้ยไฟมันก็คือร้อนความร้อนก็คือไฟแยกต่อไปไม่ได้ละจะปร้อนมากร้อนน้อยก็คือไฟมากไฟน้อยโกรธมากโกรธน้อยก็คือโกรธ น, นั่นแหละแยกต่อไปไม่ได้ไอันนี้เรียกว่าเข้าถึงตัวสภาวะจริงๆของรูปธรรมนามธรรม สภาวะธรรมทั้งหมดนะมีทั้งหมดเจบตัวหนึ่งคือจิตอีกอันหนึ่งคือนิพพานมีรูปอยู่18รูปที่เหลือเป็นส่วนประกอบของจิตเจตสิกแต่เราไม่จาเป็นต้องรู้ทั้งหมดหรอกอย่างรู้เท่าที่เรารู้ได้คนไหนขี้โกรธนะล้วก็ให้เห็นนะความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเป็นคนละอันกันตรงที่เห็นความโกรธก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเนี่ย ถามว่าขึ้นวิปัสสนาหรื อ, อยังก็ยังไม่ขึ้นนี่แค่แยกรูปแยกนามเท่านั้นเองต่อมาเราก็หัดดูต่อไปอีกรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามไม่ใช่เกิดขึ้นแบบฟลุกๆุกไม่มีเหตุก็เกิดขึ้นได้เองไม่ใช่ทุกรูปทุกนามที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีเหตุทั้งสิน้นในภาพพวกนามธรรมเนี่ยพวกเราจะดูง่ายเพราะเราไม่ได้ทรงชานนะการดูจิตดูใจเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้ชาน คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละพวกฟุ้งซ่านทั้งหลายนี่แหละทําไมฟุ้งซ่านแล้วดูนํามาทําดีพอเวลาฟุ้งซ่านมากๆนะจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วเห็นไหมเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดเดี๋ยวดมกลิ่นอย่างน้นอย่างนี้ใจนะ่กะก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชื่อมันไหวไปไหวมาตลอดเวลามันทําให้เราเห็นง่ายมีให้ดูตลอดวันเลยนะว่าสุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยหมุนเวียนกันเกิดขึ้นมาใน ใ, นใจเรา เนี่ยมันจะทําให้เราเดินปัญญา ง, ง่าย ง, างาั้นพวกเราหัดแยกสภาวะไปนะแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันไปเท่าที่เราทําได้ไม่ต้องแยกให้ได้ครบสภาวะธรรทั้งเจ็ดสิบสองตัวหรอกแยกเท่าที่แยกได้พอแยกได้แล้วนะตัวไหนเด่นแล้วก็รู้ตัวนั้นถ้าความรู้สึกทางใจเด่นแล้วก็รู้ความรู้สึกทางใจถ้าคนไหนขี้กโกรธความโกรธมันเด่นแล้วก็เห็นเลยจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธ เวลาที่จิตโกรธเกิดขึ้นเนะี่ยตอนที่เราจะขยับไปนะเราจะเห็นเลยว่ามันมีเหตุอยู่ๆไม่ได้โกรธเองหรอกนะบางทีเรานั่งอยู่สัญญามันก็ปลุงขึ้นมานะหน้าของคนคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาเราจําพฤติกรรมของเขาได้คนนี้เคยแย่งแฟนเรานะเมื่อ30ปีก่อนสมมติอย่างนี้นะความโกรธมันก็ผุดขึ้นมาเนะี่ยมันต้องมีเหตุคือมีการกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ ถ้ากระทบอารมณ์ที่ชอบใจมันจะไม่โกรธหรอมันจะโลภแทนมันจะรักแทนมันมีราค้าขึ้นมาแทนงั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะมันต้องมีเหตุมันถึงจะเกิดขึ้นเนี่ยเราหัดดูไปตรงที่เราเห็นว่าเออความโกรธมันมีเหตุนะมันว่าผุดขึ้นมาไปกระทบอารมณ์ไม่ดีเอี่ยงเราขับรถอยู่มีคนมาปาดหน้าเราตอนที่ตามมองเห็นเขาปาดหน้ายังไม่โกรธต่ที่เราคิดนะว่าแหมมันทําอย่างนี้ไม่ดีความประพฤติไม่ดีมันเก่งสักแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย รถมันดีนักเลยอะไรเงี้ยมาดูถูกเราว่าเราขับรถใช้น้ํามันตราเต่าอะไรเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยพอเราคิดอย่างนี้นะความโกรธมันก็ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามันโกรธก็เพราะมันคิดอย่างนี้เองมันมีพยาบาทวิตกความท้อโกรธโกรธโกรธก็เกิดขึ้นถ้ามันมีการมาวิตกนะมีกามาวิตกราคามก็เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นนั่นเราจะรู้เลยว่าสิ่งท่างหลายไม่ได้มีลอยๆอยขึ้นมาหรอกทุกอย่างมันมีเหตุทั้งนั้นเลย แต่ตรงที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมานะตรงนี้ก็ยังไม่ถึงวิปัสสนานะยังไม่ถึงวิปัสสนาแต่เราเริ่มจะสังเกตเห็นนะว่าเอ๊เมื่อกี้กโกรธนะตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้ไม่ได้โกรธเมื่อกี้โลภตอนนี้ไม่โลภเนี่ยมันรู้สึกว่าสองอันเนี้ไม่เหมือนกันแต่กี้นี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธก็แสดงว่าความโกรธนี่ไม่เที่ยงนะถามว่าเห็นอย่างนี้เป็นวิปัสสนาหรือยังยัง ก็อะไรเรายังไม่ได้เห็นตัวสภาวะแท้ๆนะคือความโกรธเกิดดับแล้วไม่ได้เห็นว่ามันมีช่องว่างมาคัดนะระหว่าจงจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธมันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะแต่ว่าพูดอย่างนี้ฟังแล้วฟังยากอาจจะตกใจนะหัดรู้หัดดูพวกเราทําได้เยอะแยะไปทุกวันเนี้ยไม่ต้องตกตกใจหลวงพ่อแค่แจกแจงให้ฟังละเอียดขึ้นหน่อยประดับสติปัญญาเพราะพวกเราสติปัญญาเยอะมากเลยเนาะบางทีเยอะ <laughs> เราคิดคิดเอาบางทีฟุ้งคำว่าเยอะมากของหลวงพ่อแปลว่าฟุ้งซ่านนะมันมากไปฟุ้งนะน้าหัดดูหัดรูปไปนะทุกอย่างเนี่ยทำไมอย่างเราดูรูปนะหน้าเราวันนี้เราไปดูรูปถ่ายเมื่อก่อนรูปถ่ายเมื่อปีไกลกับหน้าเราปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันใครเคยเห็นแบบนี้ัหมหรื อ, อยังเหมือนเดิมตลอดมีไหม ไม่มีหรอกสักปีหนึ่งนะั้นหน้าตามันไม่เหมือนเดิมหรอกต้องไปดูรูปถ่ายเอานะหรืออย่างคนที่อยู่กับเราทุกวันเนี่ยเราดูไม่ออกว่าเขาเปลี่ยนนะแต่ถ้าเราไปดูรูปกินเลี้ยงปีใหม่เมื่อปีกลายอะไรเงี้ยมาถึงปีนี้หน้าตามันไม่เหมือนกันเพราะเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงการที่เห็นความไม่เที่ยงของสภาวะสองอันเอามาเปรียบเทียบกันเนี้ยยังไม่ใช่วิปัสสนา วิปัสนาต้องเห็นตัวมันตัวเดียวนี่แหละแสดงความไม่เที่ยงนะซึ่งไม่ยากอะไรเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับแค่นี้เองก็จนะขึ้นวิปัสนาแต่ตรงที่เราขึ้นวิปัสนาแล้วเนี่ยวิปัสโนาถึงจะเกิดถ้ายังไม่ขึ้นวิปัสนานะไม่มีวิปัสโนมีแต่นิมิตจนะเกิดแต่นิมิตทั้งนั้นเลยแล้ววิปัสโนาเนี่ยเริ่มตอนที่เราทําวิปัสนาแล้วเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะ เราก็ดูไปที่ความปกรธนะความปกรธมันเลื่อนหนีออกไปแล้วมันก็ดับนี่เกิดดับให้ดูด้วยนะเกิดดับให้ดูแต่สมาธิเราไม่พอจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราเคลื่อนตามความปกรธออกไปพอจิตเราเคลื่อนออกไปนะเราเห็นเกิดดับปุ๊บใจมันจะไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกเป็นวิปัสสนูตัวที่หนึ่งชื่อโอภาสพวกเราที่ดูจิตเนี่ยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดะจะเจอวิปัสสนูโอภาส โอภาษเนี่ยใจมันจะโล่งว่างสว่างนะสว่างสบายโล่งไม่มีอะไรเลยอยู่ได้อย่างนั้นนานๆอยู่ได้หลายๆวันเลยนะเวลาลงมือปฏิบัติทีไรมันจะว่างขึ้นมาถ้าสังเกตให้ดีใจมันไม่เข้าฐานวิปัสสนูเนี่ยเกิดจากขณะที่เราทําวิปัสนาอยู่นะแล้วสมาธิเนี่ยมันอ่อนกําลังลงคือความตั้งมั่นไม่พอเห็นเกิดดับ แต่จิตเคลื่อนตามความเกิดดับไปเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมานะจิตเคลื่อนไปที่ความโกรธเพราะความโกรธดับนะจิตไม่เข้าบ้านไม่รู้ว่าจิตไม่เข้าบ้านมันจะไปหลงอยู่ในความว่างตัวนี้พวกเราเป็นเยอะก็ค่อยๆหัดดูเหลวงพ่อก็เป็นหลวงพ่อเคยเป็นนะสมัยยังเป็นโยมอยู่ภานาแล้วก็ดูถูกสมาธิเพราะว่าทําสมาธิมาแต่เด็กเราไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาก็เลยดูถูกไม่ยอมทําสมถะ นะปีหนึ่งสองปนะีพอหลายปีเข้าเนี่ยสมาธิเสื่อมแล้วดูไม่ออกว่าเสื่อมลงไปแล้วก็รอะไรทําไมดูไม่ออกเพราะว่าจิตนี่มันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าสว่างว่างนะมันมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขทุกวันทุกวันนะสว่างสวยัยมันเหมือนเราทรงสมาธิอยู่ตลอดเลยมันเป็นสมาธิเหมือนกันนั้นเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารามณูปนิชานจิตมันอยู่ข้างนอกจิตมันไม่เข้าบ้านมันไปอยู่ที่ว่าง ไปอยู่ที่สว่างเนี่ยดีว่าได้หลวงตามหาบัวท่านแก่ให้นะท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วนะต้องเชื่อเรานะตรงนี้สำคัญเราผ่านมาด้วยตัวของเราเองอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้ท่าอย่างเงี้หลวงพ่อเข้ามาพุโทโธพุโทโธในจิตไม่ชอบพุโทโธจิตไม่ชอบพุโทโธนะมันเหมือนจิตจะแตกอึอดอัดนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมท่านให้บริกรรมบอว่าสมาธิเราไม่พอ หลวพ่อกลับมาทำสมาธิที่ตัวเองถนัดคือหายใจใช้อนาปนานสติหายใจไม่กี่ทีนะจิตมันก็เข้าบ้านแนละ้วแทบเขีหัวตัวเองเลยว่าไปหลงเฟลิออยู่ในความว่างตั้งนานเนะี่ยงั้นอย่าไปเอาว่างนะนี่พอพาวนาต่อมาเนี้ยศัตรูของเราก็คือไอวิปัสสูเนียมีสิบชนิดนะบางทีสติกล้าแข็งเกินไปก็ดุกระดิกรู้หมดเลยนอนหลับอะไรรู้สึกหมดเลยนะมอง ไปข้างหน้าเราเนี่ยเห็นอากาศข้างหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็เมเมลยเห็นเป็นจุดๆุดุดจุดเลยดูอะไรเข้าไปนี่นี่เห็นมันแตกตัวออกมาเป็นจุดจุดเลยหรือบางทีก็เกิดตัญญามากนะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเป็นพราบางทีทอวนาแล้วฟุ้งในธรรมะเคยเจอไหมหลวงพ่อเปลี่ยนคําถามใครเคยเป็นพาวนาแล้วฟุ้งในธรรมะอยากพูดธรรมะทั้งวันเลยมีไหมยกมือสิยกมือสิ ให้รู้ทำนะอย่าไปหลงกลมันถ้าหลงกนมันเขาพูดจ้อยๆ้อยจอยไม่มีใครฟังก็โมโหว่วาเข้าใจบาปหยาบช้าไม่ฟังธรรมะอะที่จริงตัวเองถูกกิเลสหลอกไม่เห็นหออกเนี่ยมันมีหลายตัวมีปัญญาแตกฉานมากเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะหลวงพ่อภาวนาเคยเป็นเรื่องปัญญาแตกฉานเนี่ยภาวนาแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความรู้ได้นะโอ้ยความรู้ตรงนี้ดีจังต้องจําไว้ เดี๋ยวภานาไปอีมีความรู้อันใหม่ขึ้นมาวุอ้อันนี้ต้องจําไว้นั้นแต่เรื่องขันทาศอยยตนะเรื่องอินทรีย์ย2่เรื่อ ง, 22, องปฏิจจสมุ ป, ปบาทวุ้ยเรื่องเด็ดๆ เ, เท่านั้นนะเรื่องอริยศาสตร์เรื่องอะไรต่ออะไรจำจำจ ำ, จำไว้นะภาวนาอยู่ไม่กี่วันนะมีความรู้สึกเลยเหมือนเราไปไหนมาไหนเราแบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยมันเหนื่อยนะไปไหนก็แบกตู้ไปด้วยอ่ะวุ้ยไม่เอาแล้วไง ภาวนาผิดแน่นอนเลยอย่างนี้ภาวนาแล้วไปเอาองค์ความรู้เราไม่ได้ภาวนาเอาองค์ความรู้อะไรหรอกนะแค่รู้เราก็ใช้งานของความรู้เสร็จแล้ววางได้ก็วางไปเลยไม่ต้องไปจดจําเอาไว้เสียไวล่ำเวลานี่ภาวนากว่าจะเข้าทางที่ถูกได้นะก็ต้องผ่านวิปัสสนูตรงนี้อย่า ก, กลัวเป็นทางผ่านที่ทุกคนต้องเจอเหมือนถ้าทาสมาธิทำสมถะอย่าไปกลัวนิมิตแต่บางคนไม่เจอนิมิตเลยนะ แต่เวลาทําวิปัสนาเนี่ยหนีวิปัสณูยากนะเพราะอะไรเพราะถ้าสมาธิไม่พอเมื่อไห่นะวิปัสณูจะเกิดวิปัสนูเกิดเมื่อจิตมันเคลื่อนออกไปจิตมันไม่ถึงฐานงั้นที่หลวงพ่อจำชี้จําชัยพวกเรานะว่าต้องฝึกให้จิตถึงฐานเนี่ยเพื่อจะได้เอามาต่อสู้ตอนในขั้นจะทําวิปัสนานี่แหละไม่งั้นจะทําวิปัสนาไม่ได้วิปัสนูจะไปกินหมดเลยแล้วก็คิดว่าบรรลุโน้นบนรรลุนี่นะมีคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีล้เมื่อก่อนเนี่ย มาหาหลวงพ่อนะทั้งพระทั้งโยมอ่ะว่าบรรลุมาแล้วบางคนบรรลุพระอรหันต์มาเลยนะบรรลุพระอรหันต์มาเลยตากวางมาเลยนะเป็นพระอรหันต์ที่น่ากลัวมากเลยนะอย่างโน้นอย่างนี้นะที่จริงจิตเปนหลอกเอาทั้งนั้นเลยบางคนมันเป็นนิมิตบางคนเป็นวิปัสสนูงั้นจิตที่ถึงฐานเนี่ยจะช่วยเรางั้นอย่างเวลานิมิตเกิดยอดมาดูจิตนิมิตก็หายะวิปัสสนูเกิด ย้อนเข้ามาถึงจิตมิปัจจสนุก็หายไม่ยากอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสำคัญนะสําคัญอยู่ที่จิตนี่แหลนะส่วนอาการปรากฏทั้งหลายไม่สําคัญสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับดีเกิดแล้วก็ดับชั่วเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไม่มีนัยยะเราไม่ได้ภาวนาเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ได้ภาวนาเอาเจริญเพราะอะไรเพราะดีสุขสงบหรือเจริญเกิดแล้วดับทั้งสิ้น แต่เราพาวนาเนีนะ่ยจนเราเข้าถึงจิตถึงใจเราเราเห็นเลยเวลาความดีเกิดความสุขเกิดความสงบเกิดนะี่หรือเวลามันเจริญนะจิตพอใจเนี่ยจิตหลงยินดีแล้วให้รู้ทันว่ายินดีนะจิตก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างนี้พาวนาอย่างนี้ได้หรือเวลาเกิดความทุกข์เกิดฟุ้งซ่านเกิดไม่ดีนะเกิดชั่วขึ้นมาเกิดเสื่อม่วงนีสติเสื่อมนะ ไม่มีสติเลยฟุ้งทั้งวันหรือสมาธิเสียหมดแล้วนะใจไม่ชอบเลยให้รู้เข้ามาที่ใจไม่ชอบแค่นี้เองจเจริญและเสื่อมไม่มีนญยอะไรกับเราเราไม่ได้พาวนาเอาเจริญเ น, นะนี่ยมีคนปลิ้นมาให้หลวงพ่ออ่านนะหลวงตามหาบัวนะท่านสอนเรื่องเนี่ยไว้ท่านเขียนเอาไว้นะเป็นจดหมายของท่านตันะ้งแต่เจ็ดธันวาสองพันห้าสองเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมานะมีผู้หวังดีเอาไปยื่นให้ ขของหลวงพ่อไปจดมาแล้วมันหายไปท่านบอกอย่างนี้นะของหลวงตาพูดนะแล้วพวกเราฟังดูว่าเหมือนที่พวกเราฝึกกันหรือเปล่าท่านพูดเมื่อ 7. ทธันวา2 5 2พอาการของจิตทุกอาการที่เกิดขึ้นต้องดับและแปรปลวนอย่าตื่นเงาของจิตตัวเองจะเดือดร้อนความรู้ว่าเผลอและไม่เผลอเป็นทางที่ถูกต้องแล้วความเจริญความเสื่อมเป็นอาการของโลก ให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเจริญและเสื่อมรู้ทันจิตของเราเนี่เองเจริญแล้วดีใจเสื่อมแล้วเสียใจนี่ยให้รู้เท่าผู้รู้ว่าเจริญและเสื่อมนี่แหละเป็นธรรมที่คงที่ความรับรู้ทุกขณะนี้แหละเป็นธรรมยั่งยืนเราเป็นนักปฏิบัติอย่าหลงตามอาการของความเสื่อมความเจริญจงรู้ตามอาการให้รู้ตามอาการนะมีอาการเป็นยังไงรูยอย่างนั้นนะ จึงจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในธรรมดวงไฟยังมีดอกแสงควันไฟต้องแสดงความเกิดความดับจากดวงไฟเป็นธรรมดาจิตยังมีอาการเกิดเกิดดับดับซึ่งเกิดจากดวงจิตต้องมีเช่นเดียวกันข้อสำคัญอย่าหลงตามเสื่อมจงรู้ตามเจริญจงตามรู้นะเผลอหรือไม่เผลอจงรู้ตามทุกอาการจึงจัดว่า นักพ้นกว่าความรู้เท่าในอาการเกิดเกิดดับดับของสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาเสมอไปนั่นแหละจัดว่าเป็นผู้รู้จะรู้เท่าทันโลกและเรียนรู้โลกจบจึงจะพบของจริงนี่สอนขนาดนี้เนาะที่จริงแล้วแต่เดิมหลวงพ่อต้มแม่หลวงพอดีเริ่มสอนนะที่จริงครูบาอาจารย์สอนมากว่าเราละหลวงพ่อถือบอกมานานแล้วไงที่หลวงพ่อสอนเนี่ยไม่ได้ว่าเอาเองนะ เราพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็สอนมาแต่ว่าคําสอนดีๆนะมันเลือนลางไปมันจะเหลือแต่เล็กๆน้อยๆ น, นะเช่นให้พุทโธให้พิจรารณนักกายอะไรเนี่ยส่วนธรรมะชั้นสูงอย่างเนี้ยมันลบเรือนไปนะงั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาเจริญนะไม่ได้ภาวนาเพื่อเกลียดเสื่อมวันนี้จิตใจไม่สงบเลยยังไม่ตกใจจิตไม่สงบเพรรู้ว่าไม่สงบนะ จิตอยากสงบรู้ว่าอยากสงบเนี่ยรู้ทันจิตนะไม่ใช่รู้ตามอาการที่มันเกิดขึ้นมาความเจริญความเสื่อมเป็นแค่อาการปรากฏที่ปรุงขึ้นมาเท่านั้นเองมีอาการอะไรเกิดขึ้นนะให้รู้ทันใจตัวเองมันมีอารมณ์นะมันมีอาการนะแล้วก็มันมีปฏิกิริยาส่วนในของจิตนะีอารมณ์เช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเรื่องราวที่คิดนึกเนะี่ยเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่มายั่วจิตพอจิตมันถูกยุ่วแล้วมันเกิดอาการขึ้นมานะ เกิดความรู้สึกอ่ะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วนะความรู้สึกทั้งหลายเป็นกริยาอาการของจิตพอเกิดความรู้สึกทั้งหลายขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตเราเกิดปฏิกิริยาซ้อนขึ้นมายินดีบ้างยินร้ายบ้างให้รู้ตัวนี้นะรู้เข้ามาถ้ามันไม่ยินดีไม่ยินร้ายทําไงก็รู้ว่ามันเฉยๆก็ไม่ต้องไปหานะว่าอุ้ยตอนนี้ยินดีหรือยินร้ายมันอยู่ไหนเนี่ยนะให้รู้ว่ากําลังฟุ้งซ่านอยู่เห็นไหม การภาวนาจะไม่ยากอะไรนะงั้นพวกเราค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยวมันก็จเจริญเดี๋ยวมันก็เสื่อมข้อสําคัญเรารู้วิธีเอาตัวรอดเอาตัวรอดจากนิมิตนะนิมิต ม, มันหลอกนักปฏิบัติที่สอนอะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะพี้ลึกพี้ลั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยเรื่องนิมิตทั้งนั้นนะ่ะหลงนิมิตกันทั้งนั้นอนะเพราะว่าขึ้นวิปัสสนาไม่เป็น พวกเราเนี้ยเก่งส่วนใหญ่ทําสมาธิไม่เป็นไม่ต้องห่วงเรื่องนิมิตหรอกไม่มีหรอกหน้าตาอย่างพวกเรานะี้ยนิมิตไม่ค่อยมีหรอกมีก็จิตหลอนประสาทรับประทานไปเลยแล้วนาะนะนะส่วนจะนั่งสมาธิเราเห็นนอนเห็นนี่ไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่มีสมาธิสมาธิน้อยนิมิตไม่จะไปเกิดนะตอนที่ใจมันจะใกล้ๆจะสงบผ่านเข้าไปในอุปจาระอะไรเนะีย้ยจะค่อยมีบ้าง ส่วนวิปัสสนูนี่ใจมันเคลื um, Japan, ่อนใจมันเคลื่อนตามอารมณ์เคลื Together, ่อนตามอาการเคลื่อนตามอารมณ์ของจิตนะเช่นเวลาเราไปดูถ้าเคลื่อนตามอารมณ์เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะมันจะเคลื่อนแล้วหลงไปเลยอย่างเห็นคนขับรถปาดหน้าเราไปดูเขาเนี่ยมันหลงไปเลยยังไม่เท่าไหร่มันเคลื่อนตามอาการเช่นเกิดเขาปาดหน้าโกรธมันเห็นความโกรธนะ ควากลัวมันเคลื่อนไปแล้วตามเคลื่อนออกไปแล้วความกลัวมันดับเกิดดับให้ดูนะเกิดดับให้ดูแล้วใจไปค้างอยู่ข้างนอกใจไม่เข้าฐานตัวนี้หลวงพ่อไม่ได้พูดเองนะเรื่องที่ว่าวิปัสสนูนี้เกิดจากสมาธิไม่พอจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยพระนนท์ท่านก็เคยสอนไว้ในพระสูตรชื่อยุคขรนัทสูตรเนี่ยทุกวันนี้ก็มีพระมาสอนกันนะว่าต้องฟังธรรมะจากพระโอษฐ์เท่านั้นห้ามฟังสาวก เนยุคคณะทศนิ this ต้องตัดทิ้งเองที่จริงแล้วถ้าไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยมาจากภาษาบอกทั้งหมดเหรอเพราะภาษาบอกเป็นคนสังขยนาณาพระเจ้าไม่ได้สังขยาณางั้นถ้าบอกห้ามฟังคําสอนของสาวกนั่นก็คือทิ้งพระไตรปิฎกไปเลยนในยุคคณธสูตรเนี่ยยุคคณธสูตรเนี่ยนะพระนนทสอนวิธีเจริญปัญญาว่ญญาวิธีเจริญปัญญามี3วิธีใช้สมาธินําปัญญา ใช้ปัญญานำสมาธิใช้สมาธิและปัญญาควบกันหัวข้อที่สีที่ท่านสอนเนี่ยนะคือรรมุธทัจจักท ร, รมุตทัจจักคือธรรมะอุทัจจะกความฟุ้งซ่านในธรรมะสิบประการก็คือตัววิปัสสนูนั่นเองตอนที่หลวงพ่อหัดพอนายังขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นยังเป็นครวาดอยู่นะนานแล้วแต่ทำงานใหม่ๆยังหนุ่มๆยังไม่เจอหลวงปู่ดล น, นะไปอ่านตัวนี้อ่านไม่เข้าใจ อ่านแล้วไม่เก็ตเลยว่าท่านพูดทําไมท่านพูดถึงเจริญปัญญาแล้วทําไมมาต่อด้วยธรรมะสิประการนะเราภาวนาเป็นแล้วถึงรู้ว่าโอไม่ว่าเราจะเจริญปัญญาด้วยวิธีใดนะจะสมาธินําปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบกันยังไงเธอก็หนีวิปัสสนูไว้พ้นถ้านอนท่านก็สอนวิธีแก้ไว้ว่าให้ทําสมาธินะถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็ก็จะพ้นจากธรรมะอุทัจจ ะ, ะส10ประการนี้ กระอนจากวิปัสสนเพราะงั้นในพระปริยัติ์นะก็มีเรื่องนี้วิปัสสนมันมาจากที่จิตเราไม่ถึงฐานจริงๆ จ, จ, จิตเราไม่มีสมาธิจริงๆนี่หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์เยอะไม่ใช่เฉพาะเรียนจากหลวงปู่ดูลนะศาสตร์จากหลวงปู่ดูลเนี่ยพอหลวงปู่ดูลบอกว่าหลวงพ่อรู้เรื่องแล้วนะหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์อื่นอีกนะไปดูไปศึกษาองไหนท่านมีอะไรดีเราก็ไปดูไปเรียนเอา ในที่ไม่ดีเราเข้าไปดูเราเห็นไม่ดีเราก็ไม่เอาไม่ยุ่งด้วยอย่างงนะก็ไปดูส่วใจจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่ดีๆอย่างโลบุเทศนะท่านก็เคยสอนนโลบุเทศท่านสอนว่าเวลาวิปัสสนาเกิดนะให้ทําสมาธิเข้ามาถ้าสมาธิพอนวิปัสสนาหายท่านว่าอย่างงี้ยมันตรงกับปริยัติเลยทั้งภาคปฏิบัติปริยัตนี่ตรงกันเป๊ะเลยนะงั้นมาเราภาวนานเนี่ย มันยืนยันกันนะระหว่างปริยัตปฏิบัติเนี่ยเวลาที่เราเรียนปริยัตเนี่ยบางทีเราตีความเนี่ยมันตีความไปตามการคิดเอาแต่พอเราลงมือปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติอย่างเดียวเราไม่รู้ปริยัตเลยนะบางทีเราก็พูดไม่เป็นหรือบัญญัติอะไรพิลึกพิลึกออกมานะคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องรู้เฉพาะตัวเราบอกพวกนี้แหละธรรมะเฉพาะตัวปั จ, จตัง อะไรเวทที่ตับโพวิจูหิรู้ด้วยตัวเองรู้เฉพาะตัวไม่รู้เฉพาะตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่แปลว่าพูดให้คนอื่นฟังไม่ไดนะ้ถ้ารู้บัญญัติถ้ารู้บัญญัติก็พูดได้บางทีถ้าภาวนานะไม่รู้ปริยัติเลยก็พาเหล่าพากรเพี้ยนไปนะผิดไปได้ง่ายๆนะถ้ารู้ปริยัติอยู่บ้างมันเป็นกรอบของการปฏิบัตินะมีประโยชน์มากนะปริยัติต้องรักษาเหมือนกันไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติแล้วก็ดูถูกปริยัตินะ ส่วนนักปริยัติเขาดูถูกนักปฏิบัติมันเรื่องธรรมดานักปฏิบัติเป็นบ้าเยอะภาวนาผิดๆเยอะนะเขาไม่มีความเชื่อถือไม่เชื่อถือก็แล้วไปเราไม่ได้ภาวนาให้เขาเชื่อถือเราภาวนาลดละกิเลส ข, ของเราเองแต่ถ้าเราภาวนาแนละ้ว เ, เราไปอ่านปริยัตเนี่ยเราจะรู้ว่ามันตรงกันตรงอย่างน่าอัศจรรย์เลยละแต่ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะมันซับซึง้งมันไม่เหมือนที่เราอ่าน เวลาที่เราอ่านเนี่ยมันเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระสาวกปัญญาของครูบาอาจารย์มันไม่ซับซึ้งนะมันไม่เข้าใจมันไม่ถึงใจเรียกว่าไม่เข้าใจเนี่ยถูกล้มันไม่เข้าถึงใจแต่เวลาที่เราพาณาเองนะเราอยาเห็นสภาวะเกิดดับได้เห็นทุกอย่างตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยนะปัญญาเกิดเลตัวเราไม่มีอนีเพราะฉะนั้นะมันฝังใจนะมันถึงออกถึงใจถึงจะแก่จะเท่า เรื่องโน้นเรื่องนี้ลืมหมดนะแต่ธรรมะอย่างนี้ไม่ลืมธรรมะนี่จะถึงออกถึงใจอันนี้หลวงพ่อเจอจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะแต่และองคอายุ80ดสิปี90้าปี1้อยปีร้อยกว่าปีนะมีแต่และวงคนี่นะบางทีอยู่เฉยๆเนี่ยท่านก็หลงลืมเพราะว่าสมองมันเสื่อมนะอย่างเห็นคนนี้จำชื่อไม่ได้นี่เป็นเรื่องปกติ บางคนก็นั่งสงสารนะคาดหวังว่าครูบาอาจารย์จะจําชื่อใดหลวงพ่อเคยเจอนะที่หินมักเป้งอะโลวงปู่เทศอยู่หินมักเป้งท่านอายุเยอะแล้วที่หินมักเป้งเนี่ยคุณหญิงคุณนายเยอะมากเลยคุณหญิงคุณนายนะจะแห่กันไปที่นั่นมากนะเพราะหลวงปู่เนี่ยท่านประณีตงดงามเป็นผู้ดีทุกขเวียดนิ้วเลยไม่คุยเหมือนหลวงพ่อนะ หลวงพ่อเนี่ย น, นักเลงผงผางพูดไม่ถูกใจหรืออยากจะชกมันเนี่ยประเภทอย่างนี้เลยนะดูกว่ากันเยอะหลวงพ่อแท้ใจดีคุณหญิงคุณนายเข้าไปเยอะมีผู้หญิงเป็นหนึ่งเข้าไปกราบนะท่านก็ถามว่าคุณหญิงเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรเงียเ้ยคุณหญิงน่ะปลื่มมากเลยนะยิ้มเนี่ยเห็นเลยว่าเธอไปดึงหน้ามาหลายรอบแล้วเวลายิ้มเนี่ยรู้เลยล่ะหน้ามันผิดปกตินะยิ้มหวานเลย คุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปแล้วท่านเรียกชื่อขึ้นมาปรากฏว่าเป็นชื่ออีกคุณหญิงหนึ่งคราวนี้ร อ, อยยิ้มของเธอเนี่ยสลายสลายเหมือนน้าค้างกลางแดดเลยล่ะนะสลายเวิบเลยใจนี่เขียวอย่างนี้เลยนี่หวังมากไปหาครูบาอาจารย์นะมาเอาธรรมะไม่ใช่ว่าเอาหน้าเอาตานะท่านต้องจําได้ท่านจําไม่ได้หรอกเพราะท่านแก่สมองมันเสื่อมแต่ธรรมะนี่ไม่มีเสื่อม แม่นเปรี้ยบเปรี้ยว เ, เลยนะตัวธรรมะเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเข้าใจเนี่ยหลวงปู่เทศท่านใช้คําว่าเข้าใจท่านบอกว่าศัพท์ของคนโบราณเขาเก่งนะเข้าใจคําว่าใจคืออะไรท่านบอกใจคือกลางใครได้ยินคําว่าใจกลางไหมใจเมืองกลางใจเมืองเนี่ยจุดศูนย์กลางของเมืองตัวที่เป็นหลักของเมืองเข้ามาถึงใจเราเนี่ยศูนย์กลาง ของรูปนามทั้งหลายคือใจเรานี่เองเนาะภาวนาค่อยๆฝึกนะค่อยๆฝึกทีแรกไม่เอาหลงของข้างนอกแล้วมันก็วางวางวางจเจริญบ้างเสื่อมบ้างไม่เป็นไรล้มลุกลุกคลานไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มแล้วลุกลุกฝุ่นแล้วก็คลานไปไม่ถอยไม่หยุดถ้าไฟอย่างนี้ไม่นานนะปัญญามันเกิดปัญญาเกิดแล้วไม่เสื่อมถึงตายไปนะชาตินี้ได้โสดาบันแล้วชาติหนา้าก็เป็นโสดาบันอีก ไม่กลับมาเป็นบุตุชนหรอกนะเพียงแต่ลืมภาษาบัญญัติของธรรมะไปแต่พอมีอะไรมากระทบใจหน่อยเดียวนะธรรมะมจะกลับมาอย่างรวดเร็วเลยนะมันจะคืนมาอย่างรวดเร็วงั้นต้องฝึกนะสมบัติทางโลกหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสะสมไว้ในโลกนี้ไม่นานเราก็ต้องคืนโลกไปชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินเงินทองลูกเมียนะสามีทุกสิ่งทุกอย่างไม่นานเราก็ต้องคืนโลกไป แต่ว่าธรรมะที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราเนี่ยมันติดฝังอยู่ในจิตใจของเราข้ามภพข้ามชาติไปถึงจิตดวงนี้จะดับลงในชาตินี้นะจิตของเราจะดับลงในชีวิตนี้แหละแล้วมันเกิดจิตดวงใหม่ในภพใหมนะ่จิตดวงใหม่ในภพใหม่นะมันจะถ่ายทอดผ่านทุกกรรมของจิตดวงสุดท้ายนี้ไปนะจะถ่ายทอดไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนจิตดวงเดิมที่แท้ไม่ใช่ดวงเดิม มันเหมือนลูกของจิตดวงนี้แหละนะมันสืบทอดกันไปเรื่อยๆพอเราฝึกฝนมากๆเข้านะมันสะสมสะสมไปชาตินี้บางคนภาวนายากนะกว่าสติจะเกิดเรียนตั้งนานกว่าจิตจะตั้งมั่นเรียนตั้งนานกว่าจะแยกขันได้ก็ใช้เวลานานแต่ว่าถ้าทำได้แล้วนะชาติน่าง่ายไปดูเขายิ่งฟูุตูมเดียวนะไม่ไม่ทันระวังตัวตกใจขึ้นมาจิตไหวตูมขึ้นมาเนี่ย สติเกิดสมาธิเกิดเลยนะแยกรูปแยกนามอันตโนมัติเลยเนะี่ยมันแยกอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อเขเคยเจอคนแบบนี้นะประเภทที่เขาเคยฝึกของเขามานะพอตอนเด็กๆเกนะี่ยพอมีอารมณ์อะไรที่แรงๆมากระทบนะธรรมะของเก่ามันกลับมาหรืออย่างพวกเราหลายคนนะภาวนาแล้วพอเรียนกยวหลวงพ่อนะพอจิตมันตื่นขึ้นมาจิตถึงฐานขึ้นมานะมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันของเก่าอันเนี้ยเคยเจอมาแล้วนะแต่เจอเมื่อไหร ล, ลืมไปแล้ว เพาอะไรเราลึกชาติไม่ได้นั่นเองใครเคยรู้สึกไหมว่าธรรมะอันนี้เคยเห็นมาแล้วความรู้สึกอย่างเนี้เคยเกิดมาแล้วเนี่ยของอย่างนี้มันสะสมนะบุญบาปก็สะสมนะปัญญาที่เราได้สะสมไว้ในการภาวนาก็สะสมไปด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์ที่จะติดตัวเราเป็นอริยุทรัพย์จริงๆนะบุญบาปทั้งหลายสติสมาธิปัญญาเนะี่พวกนี้สะสมไปแล้ววันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย เราภาวนาจะง่ายนะสมมติว่าชาตินี้เรายังไม่ได้โสดาชาติต่อไปจะได้ง่ายนะเหมือนอย่างพระภาหิยะพระภาหิยะนะก่อนจะถึงชาตินี้ท่านเกิดในสมัยปลายพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระพุทธกัสสปะพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วาศาสนาก็เสื่อมเต็มที่แล้วท่านกับพักพวกหลายองค์นะไปภาวนาด้วยกันขึ้นเขาไป ทำบันไดขึ้นเขาไปนะเขาบันชันชันขึ้นยอดเขาได้ที บ, บันไดทิ้งเลยถ้าภาวนามไม่สําเร็จก็ขอตายอยู่บนเขานี้แหลนะเพราะท่านพระพญ า, าท่านตายจริงๆนะตายจริงๆราวนามไม่ได้ไม่ได้มักผลอะไรเพื่อนเพื่อนบางองค์ก็เป็นพระอรหันต์บางองค์ไม่ได้หนักขานะได้นอนได้นี่มีท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ปรากฏว่าชาติเนี้ยท่านได้กินธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่กี่ประโยคนะ์นะท่านบนรรลุพระอรหันต์เลย อันนี้ท่านได้เร็วเป็นเอตทักค้าทางรู้เร็วนะทําไมรู้เร็วเพราะชาติก่อนรู้ช้านะแต่ไม่ใช่ว่าชาติก่อนรู้ช้าแล้วก็ไม่ได้ภาวนาท่านภาวนาของท่านเต็มที่ใช่ไหมแต่ว่ามันแค่ยังไม่สุกงอมขาดอีกหน่อยหนึ่งพอมาชาตินี้มาต่อปุ๊บเดียวนะไปเลยงั้นเราเห็นคนไหนเขาภาวนาได้เร็วกว่าเรานะให้อนุโมทนานะอย่าอิจฉาเวลาฟังเขาส่งกันบ้านเนี่ยหลายคนส่งกระแส อ, อิจฉาออกมา ให้อนุโมทนาเราจะได้ได้บุญด้วยนะ เ, ออเขาภาวนาเข้ามาใช่เขาไม่ได้ไปขอใครมานะเขาทำของเขามาเองของเราถ้าเราสะสมมาน้อยก็รู้สึกยากหน่อยแต่ไม่ไม่ท้อถอยเราทำไปนะไม่ได้ชาตินี้อาจจะได้ด้วยความเพียรของเรานี่แหละชาชาตินี้ยังไม่ได้ชาติหน้าก็ง่ายนะต้องสู้นะอย่าขี้เกียจขี้ค้านอย่าไปหลงกล นิมิต ท, ทั้งหลายนะทุกวันนี้เอามาสอนกันนะมาหลอกเอาเงินเอาทองเราไอ้เรื่องนิมิตนี่แหละนะหรือวิปัสสนูเนี่ยพวกนี้ไม่ได้หลอกเอาเงินเอาทองแนละ้วพวกติวิปัสสนูเนี่ยพวกนี้คิดว่าตัวเองเป็นพระอราหารันต์ก็เที่ยวมาเผยแพร่ก็มีนะสอนให้ทําจิตให้ว่างให้อะไรอย่างนี้ก็มีนะพวกนี้เหลวเหลวไหลไหลงเรารู้หลักของการปฏิบัติให้แม่นๆมนะ่มีจิตถึงฐานจริ ง, รงๆมีสติมีสมาธิที่ถูกต้อง แยกาตุแยกขันเห็นรูปนำธาตุขันแสดงไตรลักษ์ไปะสะสมไปเรื่อยๆวันไหนดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกา ย, ไ ม, ไ, กายไม่ได้ทําความสงบพุทโธพุทโธไปก็ยังดีไม่ชอบพุทโธก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะหรือเจริญแผ่ส่วนบุญไปเรื่อยๆก็ได้อะไรก็ได้ที่มันดีๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆใจสบายพอมีความสบายสมาธิเกิด สมาธิเกิดมีกำลังก็ไปดูจิตต่อนะถ้าดูจิตไม่ได้ก็มาดูกายวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละธรรมะมจะหนีไปไหนไม่ได้เอาเจริญเอาเสื่อมบางวันก็เจริญสติเกิดบ่อยสมาธิดีบางวันสติไม่มีสมาธิหายไม่ต้องตกใจธรรมะกํลาลังสอนเราเราสอนใจรักทั้งๆที่เราพาวนาเหมือนกันทุกวันวันนี้เสื่อมเนี่ยมันสอนเราแล้วละ ว, ว, ว่าแกทําไม่ได้หรอกสอนคําว่าอนัตตานะ สอนอ น, นิจจังด้วยเจริญเจริญอยู่เสื่อมให้ดูนี่อ น, นิจจังให้ดูถ้าเราใจเราเข้าใจธรรมะโอ้มันบังคับไม่ได้จริงๆริงอย่างนี้เราได้ประโยชน์แล้วเราได้สาระแก่นสารแล้วแต่ถ้ามาวันไหวกับความเจริญความเสื่อมนะก็เสียประโยชน์ไม่ได้เรื่องหรอกอพอสมควรแก่เวลาะมีส่งกันบ้านไหมเมื่อไหร่จะเลิกส่งกันจะตีนาะ <c oughs> ส่งกันอยู่นั่นแะช่วยตัวเองให้มากๆสังเกต ใช้ความสังเกตนะหลวงพ่อสู้มาด้วยด้วยความสังเกตเป็นส่วนใหญ่เพราะอยู่ตามลำพังบวชมานนะอุปชาให้มาอยู่ที่บมืองกาญไม่ได้หนีมานะท่านให้มาแล้วท่านบอกว่าไม่อาบัติด้วยนะภิกษุไปทำวิปัสสนานกรรมฐานเนี่ยออกไปได้กราบนมะัสการค่ะหลวงพ่อ มิจิอยากจะถามว่ามิจิปฏิบัติถูกต้องอยังคะช่วงนี้มันหนักมากเลยค่ะช่วงนี้เป็นอะไรนะมีบากรกลมหนักมากเลยมีบากมากก็ไม่ได้แปลว่าพ o า n a d ีหรือไม่ดีมันมึนนะคะมึนมึนก็ช่วยมันหน่อยหายใจไว้เวลามึนเวลาโมหามานะไม่ชีหายใจเลยแต่ว่าหายใจไม่ใช่หายใจธรรมดานะถ้ามันมึนมากๆเนี่ยไม่ชีหายใจแล้วเหมือนกับเอาลมหายใจขึ้นสมอง หายใจเหมือนก็ให้ลมหายใจผ่านเข้าไปบนสมองนะแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไปอย่างเงี้ยอยเงี้ยหายใจขึ้นไปทําความรู้สึกเหมือนว่าลมหายใจไหลขึ้นไปบนสมองนะแล้วก็พ่นทิ้งไปพ่นเบาๆไม่ต้องพ่นแรงเดี๋ยวเหนื่อยแล้วจะมีตัวไหวๆอยู่ข้างในเนี่ยอะไรครับอะไรนะมีตัวไหวๆอยู่ข้างในอะค่ะตัวไหวๆเป็นตัวเวทนามี่เกิดอยู่ใ น, ในกายก็ๆๆถูกแล้วนะ มันไหวๆก็ไม่เป็นไรถ้าไหวๆแล้วใจเราตกใจหรือว่าตกใจใจเราสงสัยว่าคืออะไรหรือว่าสงสัยแต่แม่ชีเจริญเมตตาไว้แล้วหายใจไว้นะปลอดภัยอ่ออีกนิดนึงนะคะถ้าเจ็บตรงไหนนะเกิดเจ็บปวดอะไรขึ้นมานะทําใจสบายคิดถึงพุทธเจ้าแล้วหายใจไปสมมติว่ามันปวดแขนเนี่ยเหมือนหายใจผ่านไปที่แขนนะด้วยใจที่สบายนะเดี๋ยวก็หายขออีกนิดนึงค่ะคืออยากจะส่งกันบ้านว่าช่วงหนึ่งแม่ชีเห็น ไอตัวหมุนหมุนเหมือนน้ำกลลแต่มันไหลขับอยู่ข้างนอกค่ะ ม, มันหมุนอยู่ตรงไหนนะมันลอยหน้าอกแต่ว่ามันมีตัวเชื่อมอยู่ค่ะมีเตือเชื่อมระหว่างมีสายใหญ่แต่มันหมุ น, นอยู่ข้างนอกเหมืนน้ำกลลไม่ต้องตามไปข้างนอกนะมันหมุนอยู่ข้างในเนี่ยถ้าจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินดาให้รู้ทันแล้วพอดีเกิดเวทนาแล้วมันคือขาดสติอะค่ะอะไรนะเกิดเวทนาแล้วก็คือขาดสติเกิดเวทนาเหมือนเวทนามันบีบอยู่แล้วก็ขาดสติ ถ้าเวทนาเกิดแรงๆนะการจะดูเวทนาได้ต้องส่งสมาธิมากๆสมาธิแม่ชีไม่พอทําเวทนานุปัสสนายากเพราั้นแทนที่จะทําเวทนานุปัสสนาแม่ชีเลื่อนมาทําจิตตานุปัสสนาเลยนะคือเว ล, เวลาเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยใจไม่ไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบให้ดูตรงนี้แทนอย่าไปดูที่เวทนานะก็กําลังเราไม่พอดูเวทนามากๆเดี๋ยวสติแตกทนไม่ไหว แล้วตัวหมุนหมุนนั้นเขอขามานะคะว่าเป็นตัวจุติจิตที่หลวงพ่อว่าจะเปลี่ยนพบหพือเปล่ามันหมุนอยู่กลางอกเรานี่แหละวัตตะมันหมุนอยู่ที่นี่แหล ะ, ะตัวนี้ไม่หายนะจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งทุกข์วัตตะนี้ถึงจะถล่มลงไปตัวนี้ไม่หายเราแม่ชีไปดูยิ่งถลําไปดูยิ่งหมุนตามมันไปด้วยทําไมมันไปหมุนอยู่ข้างนอกจิตเราไม่กําลังสมาธิไม่พอถ้าสมาธิพอมันหมุนอยู่ข้างในนี้ หมุนไปหมุนมาสมาธิอ่อนนะก็ไปหมุนอยู่ข้างหน้าด้วยคราวนี้แม่ชีก็อย่างนี้นะอักเดียวก็ตาลายสิกนะ็งงแะ้วงงแล้วใจมันออกข้างนอกไปให้รู้ทันใจที่สงสัยใจที่ไม่ชอบอะไรนี่รู้เข้ามานะถ้ามันมึนมากก็หายใจช่วยมันหายใจไปเดี๋ยวก็โลง่งนะกลับก่อนพระกลุมค่ะกลาบนมัสการหลวงพ่อค่ะได้ ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองปีกว่าค่ะเพิ่งครั้งนี้เพิ่งได้กราบสการะบูชาท่านแล้วก็ส่งงันบ้านค่ะออตอนนี้สภาวะจิตก็จะมีตัวว่างๆเฉยๆค่ะไม่ค่อยรู้สึกทุกข์อะไรก็ว่างๆเออไม่เอานะครูบาอาจารย์สอนนะอย่างหลวงปู่ ม, มั่นสอนบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยถ้าจิตว่างเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกต้องรู้ทุกข์ พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกสิที่ได้ว่าทุกคือรูปนามกายใจนี้เพราะฉะั้นถ้าเวลาเราจิตไปติดว่างเนี่ยแม่ชีย้อนมาดูที่ร่างกายเลยนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเดินร่างกายขวาดวัดร่างกายทํางานร่างกายซักผ้าร่างกายลดต้นไม้อะไรเงี้ยเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูแต่ใจที่เป็นคนดูต้องดูสบายๆอย่าให้มันนิ่งเฉยๆอยู่นะใช้ใจธรรมดาธรรมดานี่เราดูร่างกายมันทํางานไป ด้วยความรู้สึกมีความรู้สึกขึ้นในใจนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนะี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาต้องต้องใช้ความคิดรวมตัวใช่ต้องใช้ความคิดช่วย <Okay. S 2> นะเวลาที่ติดเฉยเนี่ยต้องใช้ความคิดช่วยเพื่อกระตุ้นให้จิตมันเคลื่อนนะอย่าไปทำจิตให้นิ่งๆ น, น, นะไม่ดีมันรู้สึกตัวแต่ว่ามันเฉยอ ย, อยน่นีมันไม่เดินปัญญาเรียกว่ารู้ตัวนะแต่ไม่เดินปัญญา มันวิธีที่ให้เดินปัญญาแลคิดพิจารณาลงไปเลยคิดพิจารณาอะไรที่จะปลอดภัยคิดพิจารณากายอย่าไปคิดพิจารณาจิตจิตมันซับซ้อนเกินไปยิ่งคิดพิจรารณายิ่งฟุง้งซ่านมากกว่าเกา่านะให้พิจรารณาร่างกายมันไม่มีทางเกินร่างกายนี้ไปได้แล้วมันมีเท่านี้เองนะดูผมคนเล็บฟันหนังแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราอย่างผมเนะี่มีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะ มีความแปรปรวนอย่างนี้คิดคิดพิจารณาไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนะหรือเห็นร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมีรูรั่วมีความโสโครกไหลออกมาเรื่อยๆอนะไรนี้ยพิจารณาเข้าไปเรื่อยกระตุ้นให้จิตมันทํางานไม่ให้มันเฉยตัวนี้สําคัญนะแม่ชีถ้ามันเฉยมันจะนึกว่าเป็นพระอรหันต์ด้วยซ้ําไปเพราะมันเหมือนไม่มีกิเลสความจริงตรงนี้เป็นพบๆบหนึ่งพบว่าง คำ ว, ว่าพบนก็คือกลับมาพบหมายถึงเป็นการทำงานของใจเป็นความปรุงแต่งของใจมันมีสามลักษณะอันหนึ่งปรุงชั่วอันที่สองปรุงดีอันที่สามปรุงว่างนะอันนี้จะไปปรุงว่างๆเฉยไม่รับรู้อะไรส่วนใจใหญ่ก็มุ่งไปสู่อรูประชามสุดท้ายกราบพระุทคนจกราบนรมาสการหลวงพ่อค่ะ เออไม่ได้ส่งกันบ้านมาหกเดือนนะคะก็เดือนมีนาเนี่ยไปงานศพรุ่นน้องขณะที่เขาคลุมผ้าแผลคือร่างกายเขาจะเหลืออยู่กองเล็กๆอะ่ะไม่เห็นศีรษะไม่เห็นมือนะคะขณะที่กำลังจะเอาลงลงโยมไปยืนพิจารณาว่าอ๋อเราก็คงจะเป็นเช่นนี้แต่แล้วจิตมันเกิดสงสารว่านี่ตัวเรานะ มันเกิดสงสารตัวเองมันเศร้าน้ำตาไหลไม่ได้สงสารคนตายอะคะ่ะสงสารว่าตัวเรากําลังจะตายแบบนั้นในวันหนึ่งอะคะ่ะเราตัวความเศร้านั้นครอบงําจิตไหมก็น้ําตาไหลอยู่ระยะหนึ่งน้ำตาไหล ไ, ไ, <ห>ไม่เป็นไรนะริมเป็นอาการเท่านั้นเองแต่มีสติอยู่ะค่ะแต่มีสติอยู่แล้วจิตถูกความเศร้าครอบไหมไม่อะค่ะเออถ้าจิตไม่ถูกความเศร้าครอบดีเรียกว่าสลดสังเวชเป็นธรรมสังเวช ดีอย่างนั้นน่ะให้เขาตายให้เราดูแล้วเราได้ธรรมะรู้สึกชอบไปงานศพนะคะก็แล้วพออีกเดือนหนึ่งต่อมาเนี่ยเช้าวันหนึ่งไปเดิอนออกจากบ้านจะไปให้อาหารสุนัขแต่ว่าเชือกมันพันขา ข, าขวาไว้ขณะที่ขาซ้ายลงสเต็ปแล้วขาขวามันตามไม่ได้อะคะ่ะใจเราก็รู้ว่าเราล้มแล้วละ่ะแต่จิตที่เราจําได้ว่าเราเคยเคยจนหกล้มแล้วเราก็ตกใจ ตกใจมันปล่อยอะค่ะจิตมันเด้งออกมาเลยว่าปล่อยร่างกายไปเลยนะแต่กลัวแค่กลัวหน้าลงไปเละๆอะค่ะเพราะมันจะต้องคว่ำลงไปข้างหน้าขณะที่ลงปึ๊บไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเราอาหันข้างๆอยู่แตเราไม่ได้สั่งให้ร่างกายเราหันข้างพอเราเห็นชามมาอยู่ข้างๆอะคะ่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละนะเป็นทุกคนแหละแล้วพอเราลุกขึ้นมาปุ๊บหัวเข่ามันกระแทกมีช้านิดนึงถลอกนิดนึง เจ็บที่คงนิดหนึ่งแต่มันเหมือนลงไปเบาๆอะคะ่ะ ม, ม, มันไม่ได้ฟาดลงไปเหมือนก็เราลงนั่นแหล ะ, ล ะ, ะสติเราเร็วน ะ, ะสมาธิมันเกิดเนื่องจะไม่ค่อยมีอันตรายเท่าไหร่หรอกมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตกใจตอนที่เรามไม่ตกใจครับอาล่คะถ้าเราฝึกมาถึงอย่างพวกเราฝึกกันนี่นะเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจิตมันดีดผางออกมาเป็นคนดูไม่ตกใจหรอกแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าความตายมันจะถึงนี่เรารู้สึกมันไม่ค่อยกลัวเหมือนแล้วไม่กลัวบี อันนี้อีกนิดนึงอะคะ่ะเราก็รู้สึกว่าเราประคองประคองเหมือนเรานิ่งๆไม่ค่อยจะเป็นกลางกลางมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย mm hmm. ก็มีโทรศัพท์กับคนข้างๆซึ่งซึ่งเราจะกวนโทรศัพท์เราอยู่บ่อยๆเราก็คงเป็นความกดที่เราติดสมถะมานานนะคะ mm hmm. มันยังฝังรากลึกอยู่อะคะ่ะเราแค่ไม่พูดไม่พูดแล้วมันก็ยังกดอยู่แล้วก็พอโกรธปุ๊บเราก็รสึรกว่าโกรธแต่เราก็ประคองประคองจนวันทีหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะ โยมสมาธิไม่พอหรือเปล่าคะโยมติดสมาธิสิค่ะติดสมาธิชนิดประคองยังไม่หลุดนะคะมันจะนิ่งมันจะมีตัวนึงนิ่งอยู่ไปเรื่อยๆนะตัวนี้อย่าไปรักษาไว้ถ้าตราบใดที่ตัวนิ่งยังอยู่เนี่ยเราจะไม่เดินปัญญาจริงมันต้องสลับใช่ไหมคะทิ้งมันไปร้ายก็ได้ไม่ให้ผิดศีลพอเห็นตัวเองร้ายอะค่ะนะเอาแค่นั้นอะให้ร้ายก็ได้แต่ไม่ให้ผิดศีลห้าร้ายนี่คือไม่ พูดออกไปเลยค่ะใช่ไม่ไม่พูดสิถ้าพูดแล้วผิดศีลแลพูดแล้วมันจะแรงไปใหญ่เอยค่ะโกรธได้ไม่ต้องทําเป็นคนดีที่ไม่รู้จักโกรธอมันจะโกรธก็ให้มันโกรธไปนะค่ะยอมโกรธแล้วบางทียมก็กบโกรธไปหัวเลาะเขาอ่ะเออไปหัวเลาะอะค่ะให้ข้างหน้าหลอกหลอกเขาไม่เป็นไรหรอกนะเขาได้ไม่ตีเราแต่ว่าในใจเราเนี่ยรู้ตัวอยู่ว่าโกรธโกรธเป็นอะดีกว่าไม่ยอมโกรธเลยนะ แล้วรักษ า, าจิตว่างๆตลอดเนี่ยไม่ได้กินออกธรรมะค่ะอ่ะต่อไปสาธุค่ะกลับนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านหกเดือนค่ะตอนมกรามาส่งหลวงพ่อให้ไปรู้ทุกค่ะทีนี้ก็ไปรู้มาแล้วพอส่งการนะคะตอนเดินดูสภาวะอยู่มันก็กระจายตัวออกแล้วก็เกิดดับเกิดดับออือแล้วก็มีช่องว่างท่านแล้วก็ล้อมรอบด้วยช่องว่างออือแล้วหนูก็ดูไป ทั้งเกิดดับทั้งช่องว่างมองทุกซอกไม่มีตัวเราเออค่ะแล้วตัวตัวที่มองละ่ะมีตัวเราไหมตอนนั้นไม่เห็น <laughs> ยังมีอยู่มันยังไม่พอนะค่ะออมันจะเห็นของนอกไม่มีเราละตัวสําคัญคือมันต้องเห็นว่ากระทั่งจิตเก็ไม่เป็นเราไอ้คนที่ดูตอนนั้นจิตมันไม่ได้ย้อนมาที่จิตนะมันโมแต่เห็นสภาวะภายนอกเกิดดับถ้ามันย้อนมาที่จิตนี่ก็ขาดไปเลยตัวเราไม่มีแต่ว่า ทำไมไม่ย้อนเราสั่งให้ย้อนไม่ได้นะถ้าบุญบารมีเราสะสมมาพอมันก็ย้อนออกมาเองเราห้ามมันสั่งไม่ได้นะไม่ต้องตกใจไม่ต้องเสียดายแล้วอยากให้เกิดอีกจะไม่เกิดเราพอนางเราปกติอย่างนี้แหละดูของเราไปถือศีลห้าไวนะ้ฝึกใจให้อยู่กับตัวเองไปดูกายดูใจทำงานไปถึงวันนึ่งมันก็เป็นไปได้เองค่ะ พอตอนนั้นพอเห็นไม่เกิดดับก็คือแต่ว่าใจมันก็แบบแล้วต่อไปจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอะไรอย่างนี้ไปว่าจะมันยังมีเราอยู่เราจะอยู่ไปเพื่ออะไรเราโลกนี้มีแต่เกิดกิดดับใช่ไหมเราจะหาอะไรชีวิตนี้เหี่ยวเลยนะอันนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเริ่มเห็นโทษนะเห็นทุกข์เห็นโทษการที่เราเห็นเกิดดับในเรียกอุทธยป ย, ยานตรงที่เราเห็นว่ามันหาสาระไม่ได้เลยมีแต่ทุกข์แต่โทษนะเป็นอาทินวญาณ เป็นปัญญานะดีค่ะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เปย์ไปพักหนึ่งแล้วก็ดูสภาวะต่อก็จะดูสภาวะด้วยจิตนุ่มนวลแล้วก็คล่องแคล่วเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกค่ะก็แบบดูอย่างมีความสุขชอบดูสภาวะมากแล้วเป็นอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ค่ะแล้วสภาวะนั้นเสื่อ ม, อมพอเสื่อมแล้วใจไม่ยอมทนมไม่ได้พอใจไม่ยอมทนไม่ได้เนี่ย ตอนแรกก็ไม่เป็นายวันเดียวมั้งสักพักสักสองวันใจมันเริ่มแอบแทรกแซงอืมพอใจแอบแทรกแซงก็เห็นทุกข์ค่ะพอเห็นทุกข์แล้วก็แทรกแซงก็เป็นทุกข์ไอ้ที่เราไปยึดเป็นกลางก็เป็นทุกข์ทุกข์กับทุกข์มันก็เลยบีบหนูจนหนูเหมือนกับอยู่ที่ตรงกลางอะคะ่ะอันนี้ใช้สภาวะความเป็นกลางหรือเปล่าคะไม่ใช่เป็นกลางหมายถึงว่าใจเราไม่ยินดีร้ายนะ นี่ว่าเป็นกลางไม่ใช่ว่ามันไปอยู่ตรงนี้ตรงช่องตรงนี้อะไรเงี้ไม่ใช่ทุกประส่วนทุกไปจิตไม่หวั่นไหวกับทุกไม่เดือดร้อนกับทุกนี่เป็นกลางแล้วอย่าไปตกใจเรื่องเจริญแล้วเสื่อมที่หลวงพ่ออ่านให้ฟังเมื่อกี้นึกออกไหมเนี่ยหลวงตาสอนไม่นานแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่ออายุเจขวบน ค่ะก็ส่งสภาวะเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะหนูพาวนาใช้ได้นะแต่ว่าให้ให้ใจมันเข้าบ้านหน่อยตอนนี้ใจมันอยู่ข้างนอกหายใจนิดหนึ่ ง, จงใจมาอยู่กับหลวงพ่อไงหายใจห้ใจรับกลับมาเอ อ, องนั้นเอาต่อไปครับก็ ปกติไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะครับมีฟังซีดีหลวงพ่ออย่างเดียวแล้วก็ทําตามก็คือเหมือนกับว่ามันเวลาดูจิตอะครับมันเหมือนกับว่าเราเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่รู้จะเรียกว่าจิตหรือเปล่าแต่เหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งที่ทําหน้าที่คือก็ ค, อคือคิดไปของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีคนคนดูสองตัวเนี่ย อ, อ, อีกคนหนึ่งใช่ตัวคนดูนดั่นแหละตัวจิต นะร่างกายก็อันหนึ่งความปรุงแต่งก็อันหนึ่งเป็นตัวสังขารนะจิตเปนคนดูถูกแล้วละแล้ ว, ลวหลวงพ่อมีอะไรแนะนํำไหมครับเมื่อแยกขันได้นะเราก็ไม่ได้จงใจให้แยกตลอดมันแยกก็แยกมันรวมก็รวมไม่ว่ามันถ้าจงใจให้แยกตลอดนะมันจะดึงตัวรู้ไว้ตัวรู้เนี่ยจะตั้งขึ้นมาแหลงไปนิดนึงนะให้เป็นธรรมชาติกว่านี้นิดนึง รวมก็ได้แยกก็ได้แต่ว่าพอมันเคยแยกแล้วต่อไปมันแยกง่ายแยกโดยไม่ได้เจตนาพอแยกโดยไม่เจตนาเนี้ยตัวรู้มันจะนุ่มนวลสบายๆนะดูไปสบายๆไม่ได้จงใจให้แยกที่ที่ผมทำมาถูกถูกถูกถู ก, ถกแต่ว่าพอมันจำสภาวะที่แยกได้นะบางทีมันคิดจะแยกมันจงใจจะแยกต้องระวังตัวนี้นะหลวงพ่อก็เคยทาเคยทําผิดอย่างนั้น แยกเจตนาแยกเลยเยอีกคาถามหนึงนะครับหลวงพ่อเออเออไม่ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องอาจินตายหรือเปล่าแต่ว่าพอดีสงสัยเฉยๆว่าผมสังเกตว่าเหมือนเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่พยายามทำให้เราอยู่ในวงเวียนนี้คือเหมือนกับเออพอมันบังคับให้เราอยู่ในวงเวียนนี้เนี่ยพอเราทำไม่ดีอย่างเช่นไปผิดศีลห้า เราก็ถูกลงโทษแต่ว่าพอเราพยายามจะเหมือนกับว่าพยายามจะเป็นคนดีเหมือนกับว่ายังพยายามจะปฏิปฏปฏบตัติวิปัสสนาก็จะมีตัวมาหลอกแบบที่หลวงพ่อเล่าคือมันมันพอจะสามารถอธิบายให้มนุษย์เขา้าใจได้ไหมครับว่าทําไมเขาต้องเหมือนกับคุณ<า>อยู่ในเกมได้แต่ว่าคุณห้ามทาชั่วนะแต่คุณก็ห้ามออกจากเกมเ อ, อมานเนี่ยอยู่บนสวรรค์นนะเพราะงั้นมานไม่ได้ชั่วแบบที่เราคิดหรอกนะไม่งัเป็นขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอก มารมีทั้งห้าชนิดนะไม่ปล่อยให้เราหลุดจากวัตต่างง่ายๆหรอกนี่เราต้องมีใจที่มีศรัทธากบับพระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องฝึกฝนตัวเราไปให้พ้นให้ได้นะวัตต์ตานี่นะฉลาดมากเลยมันรู้จักให้คุณให้โทษอย่างเวลาเราสนองความต้องการของมันนะมันจะโยนความสุขให้เรานิดหนึ่งแล้วมันก็สั่งให้เราทํางานอีกแล้วรู้สึกไหมมันสั่งงานเราทั้งวันเลยตัวนี้เห็นบ้างยัง ถ้าเห็นเมื่อไหร่จะรู้เลยว่ามันไม่ยิสระรู้สึกเหมือนกับมันรู้สึกเหมือนกับว่าทําไมเราเกิดมาเราต้องเรียนหนังสือสูงๆทำไเราต้องมีรถมีลูกมีครรัวที่ดีแล้ว เ, เ, เราก็จะคาดหวังว่าให้ลูกมาดูแลเราแต่สุดท้ายแล้วมันก็ตะวนเหมือนเดิมใช่เราถูกหลอกอ่ะนะเราถูกหลอกงั้นเราต้องฝึกจิตฝึกใจนะให้มันพึ่งตัวเองให้ได้งั้นก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆแหละ คนในโลกนะมันไม่ไม่ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็ดำรงชีวิตตามตามกันไปตามมาตรฐานสังคมถ้าทำตามมาตรฐานเขาได้เขาเขาว่าดีปิดมาตรฐานเขาเขาว่าไม่ดีที่จริงมันก็คือมีการให้คุณให้โทษเพื่อให้เราอยู่ในกรอบกานที่เราอยู่ในกรอบคือเราอย่าอย่าฝ่าออกจากวัตตานี้นะเงั้นการที่เรามีบุญบา ร, รมีนะถึงจะคิดอย่างนี้ได้ว่าทาไม จะเกิดคำถามขึม้นมาเกิดมาทำไมทำไมต้องเกิดมาอย่างนี้เกิดมาเพื่อจะตามตามกันไปเหรอตอนเด็กๆ เ, เขาเรียนเราก็เรียนเขามีครอบครัวก็มีกับเขาเขาทำงานก็ทำกับเขาเขามีเงินก็มีกับเขาสุดท้ายก็แก่ตามเขาเจ็บตามเขาตายตามเขาเหมือนกันทำไมชีวิตมีคุณค่าแค่นี้เหรอเนี่ยเนพวกที่มีบุญบารมีนะมันจะมีความรู้สึกตัวนี้เกิดขึ้นมาถ้าเกิดตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราก็มองว่าทำไงเราจะพ้นจาก ไอ้วงจอรอุบัติอันนี้ออกไปได้พอมาหัดภาวนาก็ดีนะแสดงว่ามันมีของเก่าหนึ่งชิดอย่างเนี้ยนักวิาการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมาฝึกได้จริงๆย่า ง, งๆหมายปีที่แล้วค่ะประเด็นที่อยากได้ข้อแนะนำก็คือว่ามันมีเหมือนความทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่เกือบตลอดเวลาแล้วไม่สบายเลยค่ะแล้วก็บันจิตข้อฐานยากมากค่ะ อะไรอะไรยากจิตมันตั้งมั่นยากมากอะค่ะจิตมันตั้งมั่นมั่นยากก็อย่าไปตั้งมันมันไม่ตั้งรู้ว่ามันไม่ตั้งแล้วมันตั้งของมันเองถ้าจงใจจะให้ตั้งก็ตั้งยากนะยกเว้นชำนาญในสมาธิน้ําตั้งไว้ทั้งวันเลยตั้งทื่อๆอยู่ไว้น่ะว่างๆแล้วความปวดเนี่ยค่ะมันมันมันเยอะมากจนกระทั่งทําให้รู้สึกมันไม่มีความสุขเลยแล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับเลิศออกมาค่ะมันผิดปกติหรือเปล่าปกติ ที่จริงแล้วในร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยแต่คนซึ่งไม่มีสติไม่มีสมาธิมองไม่เห็นอย่างทำไมเขานั่งพัดกันเย่ง ข อ, ขออีกคํำถามหนึ่งสําหรับคุณแม่คะ่ะคือแม่เป็นมะเร็งแล้วคุณหมอบอกว่าก็คงใกล้ใกล้จะไปแล้วนะคะประเด็นก็คือว่าเรารู้สึกได้ว่าเขามีโทสะเยอะเพราะว่าเขาคงจะปวดนะคะแต่เขาไม่ชอบที่จะฟังซีดีไม่ชอบที่จะให้เรานําสวดมนต์หรือว่าอ่านธรรมะให้ฟังจะช่วยเขาได้ยังไงคะเขาชอบอะไรบ้างอะ่ะเขาชอบอะไรบ้างค่ะชอบอะไรที่ไม่ผิดศีลนะอ๋อ เราก็หาอารมณ์ที่เขาชอบใจให้เขาเนี่ยอารมณ์อย่างฟังซีดีเนี่ยมันอารมณ์ที่ชอบใจของเราค่ะเราต้องหาอารมณ์ที่เขาชอบใจแต่ว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยถ้าเขาชอบอเล่นไพ่อะไรเงี้ยไม่ไหวอย่างนั้นไม่ดีะนะเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมบางคนนะหลวงพ่อก็ให้ลูกหลานมาชวนคุยคุยคุย แล้วก็เตือนเขานึกได้ไหมตอนนั้นเคยไปทําบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยะกระตุ้นกระตุ้นอย่างเนี้ยให้คิดถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลไว้รักษาจิตของเขาให้ดีนะเพราะร่างกายรักษาไม่ได้แล้วให้หมอเขารักษาไปเราคอยประคับประคองไม่ให้เขาเศร้าหมองอนะค่ะแล้วถ้าจนจะไปแล้วนี่ถ้าเราเปิดธรรมะให้เขาฟังนิดี่จะเป็นการถ้าเขาละคาญที่จะไปเปิดเนะเดี๋ยวเขาเกลียดธรรมะยิ่งไปใหญ่เลย ให้เขามีความรู้สึกที่สบายๆมีความสุขอ่ะไปแบบมีความสุขนะเยอะนะดีที่สุดแล้วสมมติว่าไปแล้วพลาดเป็นเปลดเป็นเปลดเนี่ยสอนง่ายนะเอะง่ายกว่าคนดื้ออีกกับน้ำสการพระอาจารย์ครับเป็นครั้งแรกที่ได้มากราบพระอาจารย์หลังจากที่ฟังซีดีมาประมาณปีครึ่งแล้วก็เริ่มได้หัดปฏิบัติ ซีดีที่ฟังแผ่นแรกหลังนะจากที่ฟังเสร็จแล้วผมก็ไปโหลดจากในเว็บไซต์มาฟังอยู่100ร้อยกว่าตอนโหลดใส่ USB แล้วก็ฟังทุกครั้งที่นั่งรถจนถึงทุกวันนี้ก็ยังฟังอยู่แล้วจากวันนั้นที่ได้เริ่มปฏิบัติก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อได้เทศไว้ในซีดีก็คือรู้ใาย ร, รู้ใจตามความเป็นจริงหรือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกาง ปีแรกกับปีสองปีสองก็จะมีสติที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้นเราจะรู้ยาวขึ้นจะหลงสั้นลง <c oughs> แล้วสิ่งที่ปฏิบัติส่วนใหญ่ผมจะใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรม <c oughs> แล้วก็จะดูอายตนาทั้งหกว่าเขามีอะไรเด่นอย่างสมมติถ้ามีเสียงเด่นใจเขา อ, อยากจะไปดู <c oughs> ที่หูอยากจะไปรับรู้อารมณ์ <c oughs> <c oughs> ไปสำวจอารมณ์ตรงนั้นเราก็ มีหน้าที่แค่รู้ตามรู้ทําดูเข้าไปเป็นไม่ใจมันอยากดูได้อยากฟังได้เองครับและใจมันอยากไปได้เองอยากดูอยากฟังอยากคิดคใจเนี่ยมันทํางานได้เองโดยพื้นฐานของคุณนะ่เป็นพวกมีปัญญามากนะงั้นดูอนัตตาเป็นหลักไว้ครั บ, รบแล้วก็จากสิ่งที่ได้เริ่มปฏิบัติประสบการณ์ตอนเด็กๆที่ได้ มีภาวะที่ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้อธิบายไว้ในซีีแล้ว mm hmm. ส่วนภาวะที่เคยเกิดครั้งที่สองตอนที่วัยรุ่นที่เกิดอุบัติเหตุที่รวมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ในซีดีแล้วเช่นกัน mm hmm. แต่มีประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่เกี่ยวกับฌานทีนี้ผมเคยฟังคุณดำเกิงส่งการบ้านพระอาจารย์คุณดาเกิงจะอธิบายการเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าผมไม่สามารถจะอธิบายได้แบบนั้น ก็มีข้อสงสัยว่าผู้ที่เข้าฌานได้จะสามารถเห็นเหมือนกันหมดไหมครับบางคนเข้าไปก็เข้าไปเฉยๆนะไม่ไปเดินปัญญาอย่างคุณดําเกิืองเขาก็เล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเข้าฌานเนี่ยแล้วก็เห็นองค์ฌานเกิดดับเขาเดินปัญญาในฌานเาะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เท่ากันนะบางคนเข้าไปพักนิ่ง ๆ, ๆเฉยๆอยกับนมัสการหลวงพ่อครับ อออื่าผมป ฏ, ปฏิบัติในรูปแบบเกือบทุกวันครับวันละประมาณครึ่งชั่วโมงตอนช่วงเช้าครับถ้า ม, มีโอกาสอ่าปฏิบัติในระหว่างวันนะครับก็บางทีก็ดูกายบางทีก็ดูใจครับอือยากสอบถามว่าตอนนี้ผมปฏิบัติได้ถูกทางไหมครับ ร, รู้ตัวเองไหมล่ะรู้บ้างไม่รู้บ้างามไม่ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองไหมเห็นครับนะอยากจะสงสัยอะไร วิญญูชนมันก็รู้เองอะว่าถูกไม่ถูกชีวิตเราดีขึ้นนะกรอกขอกันบ้านเพิ่มครับทำอีกเราทำไปตลอดชีวิตแลนะส่วนคุณที่เพิ่งส่งกันบ้านเสร็จนะอย่าให้เคร่งเคลียดนะราวนาต้องสบายสบายเครียดเครียดหรือยิ่งช้าภาหนาแบบไม่มีส่วนได้เสียดีที่สุดกลับนมัสการหลวงพ่อครับ คือปกติแต่ก่อนภาวนาดดูกายมาสักสามสี่อาทิตย์นี้จะเริ่มเปลี่ยนดูเวทนาดูจิตที่สุขทุกข์ไม่ทราบบาได้ไหมครับอ<ม>่มคือเริ่มมาใช้ภาวนาดูเวทนาทางใจด้วยควบคู่ไปด้วยจะจะใช้ได้ไม่ไมเป็นไรใช้ได้ไดสังเกตไหมว่าภาพจิตใจในองค์รวมของเรามันดีขึ้นอะ่ะถ้ามันภาวนาแล้วจิตใจมันพัฒนาขึ้นอย่างนี้ก็ใช้ได้แหละ ดูอะไรไม่สาคัญหรอกในกายเวทนาจิตธรรมมันใช้ได้ทั้งหมดเห็นไ้ยว่าทุกอย่างมันไม่คงที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆของคุณภาวนาไปไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่หรอกรู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นก็แค่เห็นมีความรู้สึกมาความรู้สึกไป บางวันการภาวนาก็ดีบางวันการภาวนาก็เสื่อมเสื่อมก็ภาวนาไม่เลิกทำเหมือนกันทุกวันในสุดปัญญามันก็เกิดเห็นในทุกอย่างมันของชั่วคราวทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันก็สะสมอย่างนี้แหละจิตมันตื่นขึ้นมาแล้วขันมันแยกแล้วก็มีหน้าที่แค่ตามรู้ตับดูขันมันทำงานไปนั่นแหละจนกว่ามันจะพอกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เอ<ด>พิง่งเพิ่งได้ส่งกันบ้านครั้งแรกเจ้าค่ะก็ห<น>เห็นหนูบ้านอยู่ที่ไหนพอนาใช้ได้บ้านบ้านอยู่อยู่จงังหวัดไหนอะอยู่กรุงเทพเนี่ยละค่ะอใช้ได้แล้วล่ะพอนาอยู่ทเทพก็มาฟังศาลาลูกชิ้นนี่แหละสะดวกค่ะดูไหมกายกับใจโค่นล้านเห็นเจ้าค่ะเออเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็อยู่ต่างหากหไม่ใช่จใจ บังคับไม่ได้ด้ยวยจ้าค่ะไม่ได้บังคับไม่ได้ช่วงก่อนจะทุกข์มากเพราะว่าเห็นความหมุนวนข้างในแล้วผลักมแม้แต่ตอนอาบนะ้ําแม้แต่ตอนออถูกสบู่จะรีบไปไหนเหมือนกับว่ามันผลักข้างในว่าทุกข์ทุกข์ตลอดวัาข้างหน้าสิข้างหน้ามีความสุขไปสิไปสิไปข้างหน้าแต่แล้วพอหลั ง, ลงๆเนี่ยรู้แกว<ม>ว่าข้างหน้ามันไม่มีหรอกไอความสุขที่แกผลักฉันไปมันไม่มีมันหลอก มันหลอกเพราะฉะนั้นพอวันังนี้มันมันผลักหนูก็ไม่ได้ไปก็ดูมันผลักเฉยๆนี่ดูมันอยู่ที่วัดตายมันอยู่ที่นี่ใช่ค่ะมันก็มันก็ดีขึ้นแล้วเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วงงว่าทําไมมีความสุขมากขึ้นจริงๆไม่ได้มีความสุขมากขึ้นและแค่ความทุกข์มันลดลงเออเพราะว่าสังเกตไหมยิ่งรู้ทุกข์นะะมันยิ่งมีความสุขนะะทุกข์นี่หลวงพาอเสียดายนะอย่างครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะถ้าท่านอายุยืนๆนั้น ไม่ได้ยินพวกเราส่งกันบ้านนะท่านต้องปลื้มมากเลยแล้วอีกอย่างนึงนะเจ้าคะตอนแรกคิดว่าการดักดูของตัวเองเนี่ยเป็นเพราะว่าอยากเห็นสภาวะชัดๆแต่ไปเห็นความจริงหรือว่าไปไปวิ่งไปดักดูเพราะกลัวสภาวะอันนั้นจะเกิดขึ้นเอกลัวเลยไปดูมันก่อนเผื่อมันจะอ่อนๆแล้วมันจะไม่แรงแบบนั้นเจ้าค่ะดีใช้ได้นะไปทําต่อไปทําแบบเดิมๆต่อไปนะเจ้าค่ะดูซื่อ คือรู้สึกเลยว่าดูอย่างที่มันเป็นน่ะสบายที่สุดแล้วอนะค่ะสาธุเจ้าค่ะถูกสาธุหลวงพ่อก็สาธุบ้างดูถูกแล้วเนี่เห็นแล้วชื่อนอกชื่นใจแต่ละคนนะส่งกันบ้านกันมันมากถ้ามาส่งกันบ้านหลวงพ่อเนะนั่งแล้วเห็นโน้นเห็นนี้เห็นหมาเห็นแมวเห็นผีอ้าฟังแล้วเบื่อนะฟังแล้วรู้สึกว่าเสียเวลาสอน เนี่ยอย่างนี้สิภาวนาะกันแต่ละคนสะใจนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับผ ม, มคือผมได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกาที่วัดเปนนะครับครั้งครั้งที่แล้วนะครับผมคือว่าผมได้เรียนกับหลวงพ่อไว้ว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นค่อนข้า ง, า ง, า ง, างถี่มากสำหรับผมแล้วก็สติมันก็จะไวมากในการที่จะเห็นกิเลสตัว น, นั้น จนผมรู้สึกลำคาญกับไอสิ่งที่สติที่มันเกิดขึ้นไม่ไวหลวงพ่อให้ผมไปดูอนัตตาระหว่างที่หลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็พยายามที่จะเรียนรู้กับมันกับคำว่าคาว่าอนัตตาอย่างถ่องแท้ว่ามันคืออะไรจริงๆไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้แค่แค่แปลมันว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีคือมันก็จริงๆแล้วมันมีคำตอบที่หลวงพ่อได้อ่านอ่านของหลวงตามหาบัวเมื่อสักครู่นี้หมดแล้ว คือระหวานนะ่างนั้นมันเกิดความเสื่อมแล้วก็ความเจริญเกิดขึ้นตลอดเวลา <S 2> <S 2> ใช่แล้วผมก็ไม่เข้าใจมันว่าเฮ้ยมันมันมันเกิดขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วจนวันหนึ่งผมก็ไปแปลแปลนาตาที่หลวงพ่อบอกมาให้ดูนาตาไปผมก็มาดูนาตาแต่วันนั้นที่ผมดูนาตาเนี่ยผมดูในในเชิงของการแปลความของมันออกมามันก็เลยบอกมันก็เลยไม่เห็นแล้วจนจนสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มแบบว่าไม่ ไม่เคร่งกับมันแล้วอผมก็เลยแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็เกิดแล้ววันหนึ่งมันก็เห็นอนัตตามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเองโดยที่ว่ามันเกิดแล้วมันก็ไอทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ดับหายไปดับหายไปดับหายไปไอความลาคาญที่มันเคยเมื่อก่อนนี้เคยเป็นนะครับมันก็ไม่มีครับมันกลายเป็นบอกว่าจากทุกทุกจนจนแบบเห็นทุกจนเป็นสุขอะครับเนี่ยบอกว่าเฉยๆกับมันแล้วก็ ก็สึกว่าวันนี้เนี่ยอนัตตาที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นเห็นสิ่งที่มันถูกต้องหรือยังครับถูกสิเห็นนะี่มันถึงลดละกิเลนได้ไปคิดเรื่องอนัตตาไม่ได้กินหรอกยิ่งฟุ้งซ่านนะดีแล้วล่ะที่ภาวนาเนะี่ยครับแล้วมันมีอีกอันนึงครับผมคือว่าผมเชื่อในเรื่องของเรื่องของศีล น, นะครับผมก็คือว่าศีลห้าครับผมคือมันมันเขาเรียกอะไรครับมันอารัธนาขึ้น ในแต่ละวันเนี่ยมันไม่ได้แค่รอบเดียวอะครับมันขึ้นถี่มากถี่มากครับแล้วพอมันการที่เราอารัฒนาสีนอยู่ บ, บ่อยๆตลอดเวลาเนี่ยพอเวลามันจะผิดสีนนะครับมันมีตัวเนี้ยมันขึ้นมามาบล็อกโดยธรรมชาติของมันเองะครับอย่างนั้นก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าถือสีนต้องระวังนหนึ่งมันจะมีศัพ์อยู่คำหนึ่งนะชื่อวิปติสาร เป็นความกังวลใจเรื่องศีลจกนกระทั่งเครียดอย่าให้ถือศีลแล้วเครียดนะถ้าเครียดเนี่ยเขาเรียกวิปฏิสารไม่ดีหรอกครนะแต่ถ้าถือศีลจกนกระทั่งว่ามีสติรู้ทันเลยนะจะทําผิดศีลแล้วรู้ทันแล้วไม่ทําอย่างนี้ใช่ได้ครับนะแต่ไม่ใช่เครียดโอ้จะเดินสักก้าวหนึ่งนะกลัวจะดูแล้วดูอกีกตรงนี้มีมดไหมดูนะดูได้ตาเปล่าไม่พอเอาแว่นมาส่องเผื่อจะมีสัตว์ที่เล็กกว่านี้อีกอย่างนี้ประสาทเกินไปครับ คือมันคือมันมันรักษาค่ะแตว่าบางทีกิเลสมันขึ้นนะครับจากที่มันมันมากๆากอ่ะมันเบาลงมันบางลงจนบอกว่าจนไม่ทําก็ได้อืเองนะครับแต่อย่าประมาทนะครับถ้าวันหนึ่งเราเจออะไรที่แรงๆอ่ะมันอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับเพราะการลาตัวเนี้ยยังไม่ใช่เป็นสมุทเฉดประหารนะไม่ได้ลาด้วยอริยมรรครนะมันเป็นแค่ลาด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาครับแล้วเราไม่ประมาท รู้สึกไปด้ด้วยดีแล้วล่ะถือศีลไว้ก็ปลอดภัยแล้วครับกล่าวสารหลวงพ่อค่ะ เ, เริ่มฟังซีดีหลวงพ่อได้สี่เดือนนะคะมีกัลยาณมิตรชักชวนมาที่สาราลุงชินนะคะก็เปิดฟังในรถขณะ ข, ขับรถก็ภาวนาตามซีดีที่หลวงพ่อทราบว่าตัวเองเป็นโทสะจริตค่ะแล้วก็นอะไรนะ โทสะจะหลุดค่ ะ, ะก็คือโกรธบ่อยอก็ดูดูโกรธมาเรื่อยๆจนมีวันหนึ่งพอโกรธปุ๊บแล้วเราเหมือนจะเอก่ะค่ะเขาก็หายไปแต่ตอนหลังๆเหมือนเราเริ่มพยายามทำในรูปแบบอะค่ะก่อนนอนก็จะเห็นว่าตัวเองฟุ้งมากแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็โกรธค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า อยากจะมันหมายถึงว่าจะจะดูตรงนี้ไปได้ยังไงเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิเราก็จะดูตอนนั้นไดคือเวลาฟุ้งซ่านนะ<ฮ>ใจเราไม่ชอบอ่ะให้รู้ว่าไม่ชอบความฟุ้งซ่านเองเขาไม่เที่ยงความสงบเองเขาไม่เที่ยงเพราะนเวลาความฟุ้งซ่านเกิดเนี่ยถ้าไม่ชอบให้รู้เวลาความสงบเกิดถ้าชอบให้รู้นะสุดท้ายมันจะมีความรู้สึกเลยระหว่างสงบกับฟุ้งซ่านนะเท่าเทียมกัน โดยแต่เกิดแล้วก็ดับแต่ถ้าเกิดแล้วรู้ไม่ทันก็ทําให้ใจกระเพื่อมเหมือนกันทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วก็ทําให้ใจกระเพื่อมเหมือนกันนัเราก็รู้ทันมันยินดีก็รู้มันยินร้ายก็รู้ยินดียินร้ายนี่เป็นความกระเพื่อมไบของใจนล้วเราก็รู้ทันสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะมันจะเห็นเลโกรธมันก็โกรดของมันเองเราไม่ได้เจตนาใช่ไหมฟุ้งมันก็ฟุ้งได้เองเราไม่ได้เจตนา มันเป็นไปตามความเคยชินเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงไม่ให้ฟุง้งแต่หน้าที่ของเราก็คือเมื่อมันฟุ้งแล้วใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบเอาที่ใจตัวเดียวนิ่งถ้าใจเป็นกลางนะความฟุ้งมันจะหายไปเองนะแต่หลวงพ่อไม่ได้สอนเพื่อให้ไม่มีความฟุ้งนะนแต่เ่าสอนจิตใจเราเข้าสู่ความเป็นกลางขอการบ้านเพิ่มด้วยค่ะนี่ไงตัวนี้ก็เยอะแล้วนะ กว่าจะชนะตัวนี้นะเพราะเหนื่อยนะอย่างใจฟุ้งซ่านเนี่ยใครๆก็บอกมันไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ดีนำความทุกข์มาให้เนี่ยจะให้เป็นกลางกับมันไม่ใช่ง่ายนะให้แค่รู้ทันว่าว่าใจไม่ชอบนะให้รู้ตัวนี้กราบขอบพระคุณค่ะครับใน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 ยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตฉันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตพวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธาปจจายโนจตาโรโธรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังสาธุ